จเจรินพรท่านสาธุชนพุทธระกอบการผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาวันนี้สมาชิกคนแรกขาประจำก็คือเด็กชายพีเคหาพีเคว่ายังไงครับตาบนามัตส ก, กันกระพอเชิญ เปนยังไงวันนี้มีวิากรรมอะไรมาแสดงไหมเออวันนี้ก็มีปุกตะพระอาจารย์ดีๆลูกนั่งยืนดิดอืมนั่งยืนก็ไปทำอะไรมาบ้างวันนี้วาดรูปต้นมากินดาของแมไม่ต้องไั่พระอาจารย์เคเห็นรูป ต้นไมกินมแมลงอะครับแล้วก็เราก็ได้มาวันนีม้มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่รู้เหรอหนูก็บอกไปสีหนูอยากแล้วอะไรวันนี้ก็ที่โรงเรียนก็ฟังคุณครูครับอาจารย์เนี่ยทำอะไรที่คุณครูเขาต้องทำหนีเตีย น, นอ้ออะไรมีอะไรที่ทำให้คุณครูดุไหมครับไม่มีเลยครับอาจารย์อ่าวันนี้เด็กดีแห้วใช่ครับ วันนี้ไม่มีคำถามนะคะพาจารย์เลยไปเลยทั้งคุณยังไม่ได้ก่าวพระอาจารย์เลยลูกก็อินกล่ารมาเนาะคำนั้นสักการ์พระอาจารย์เนอ่ yeah. มีลูกดีไม่ดีฮ <laughs> ะดีคะ่ะได้ <laughs> อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงดีค่ะได้ฝึกฝึกจิตค่ะถ้าไม่มีลูกก็เหงาอยู่คนเดียวค่ะพระอาจารย์กรรมเออยู่คนเดียวไม่ได้เป็นกรรมเะใช่ค่ะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องไปหาเรื่อ ง, องใส่ร้าต้องหาทุกต้องหาทุกมาแบ่งค่ะจะได้ทราบว่าอ๋อทุกเป็นอย่างนี้เองที่เห็น แต่ก่อนเคยเห็นเขามีลูกกันโอ้ดูเขามีความสุขกันจังเลยพา ม, มีแล้วอ๋อล้ลค่ะมีทั้งถูกมีทั้งทุกขลนับปอนกันไปนะค่ะพระอาจารย์ก็ก็ดีไปอยู่คนเดียวนะก็ดีค่ะทำให้ชีวิต ม, มีมีรสชาติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนไปวัดไปค อ, อย อ่ทําบุญร่วมกันก็ดีนะคะอาจารย์แค่เป็นเพื่อนคู่สามก็แล้กันคู่คสาม น, นั่งวอยชอกกับสอบไซมันสู้ช้อมกับคู่สามไม่ได้อ่าเพราะบางทีหาเพื่อนไปวัดไปทําบุญด้วยไม่มีที่ตรงจริตกันของลูกนี่ลากไปด้วยได้ก็เลยลากไปด ไ, ได้ทุกแห่งทุกคนนะใช่ค่ะอาจารย์ เดี๋ยวปลายปีว่าจะขึ้นไปทางอีสานไปกับหลวงปู่จันเรียนท่านอีกค่ะอแต่ต่อไปเขาโตขึ้นเขาไปของเขาแล้วเขาไปไปกับเราแล้วค่ะต้องรีบรีบพาไปก่อนเด็กๆต่อไปเขาอยากอยากไปของเขาเองนะค่ะอาจารย์เดี๋ยวกลับจากญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวจะพาไปกับพระอาจารย์นะคะอืมค่ะได้สาธุอ่าให้พานอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะจ้าค่ะ อ่าไปเด็กเล่นก่อนนะแต่ใช้เล่นนะไม่ใช่เล่ น, น ส, สวัสดีค่ะพระอาจารย์ก่อนสวัสดีค bon. ่ะนวัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์มากับพระสวยๆก่อนขึ้นไปข้างบนนี้เร็วๆใครขึ้นก่อนเร็วๆแล้วแล้วแล้วลุงแล้วเร็วๆลุงลุกระวังหลังนะอากาศกลับลงพระสวยๆก่อนครับโอเคพ่พูดกลับพระท้ากลับพระสูย อ่าน้องเล่นน้องเล่นตกแต่งบ้านเล่นค่ะพ่อมแล้วลูกหลงพ่อมองค่ะหลงปู่มองอ่เร็วตกแต่งบ้านเล่นค่ะเพื่อนนมือดีนะลูกแมต่มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี่อนเร็อ่เรวน้องน้องหน่งอาใส่เป๋าไว้ก่อใส่ระเป๋าครับตั้งใจครับจะกรโมตะพักขาวาทอาณาาตุกตะอาณาถาตุกนาโ่ตะตะัาวาทุกอาณาถตต ป่สับตาสานมิตตสัพักว่ตัวหั汉โตสามาสมเด็จสะนามิตตาสาอาลาหังโตสามาเจ้ารพรรพอแล้วอาลาหันตสามาสุขโตวพัว่าพุทธทางกวฟังกัี่วเคมีดะสวัสดีวัสดตัพกว่าตาขรมโอธรรมังยมัตสนิผู้ศตัเป็นจิตวิญญาณพัว่าจ เรวสร้างควาคสร้างความอิทธิฤทธอิทิฤทธิเราสร้างพลวิชาเราสร้างพลังตัวโลกประชุมอนุตตโลกคุจะทำอากรชาวอาชีพสัตวาเทวมนุษย์ตว์นักปู่ตปตะวันอ่คุณคุณคุณคสวนแรกาี่กัปจันท่านกปนเขาที่สทวนคู่สวนั้นแก่มันดูทุกชาติทุกศาสนาทุกคนในโลกแล่ผูกสมสัข์องมันุเราสับทางไกอันเป็นเพื่อนทุกกรแจกเด็ก ให้กทุกหวทิจะอยากมีเวทไทอาได้ที่จเป็นเพียรซึ่งกรละกันพอจงได้คามทุกข์นุความสุขหวเชื่ัพนจะเป็นสาดาวอภิลาสาตาในคาถุกเจอัเลื่อนล้พทานาตุนัมีความแก่เม่อความแกเป็นธรรมดาจงต้องแก่ไม่ได้มีคมจิตไข้เป็นธรรมดาจงคนทำจิตใข้แม่ ลนกงตเป็นธมาจ้าูกคนตาติดไม่ได้เราจะต้องวัดถ้าของของาของจะเล่นได้ทั้งหทั้งวเรจะพัดหนึ่งเรามีการเป็นของของถูกเราจะต้องรับต้องรับผลของกรรมเราเรามีกรรมเป็นของของตลอดปกรรมมีกรเป็นกรรมถูกเรามีกรรมเป็นเรามีกรรมเป็นตผาพัง เร า, าีกาเป็นผอาศัยเราทาํกาเราจะทำเราจะันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องจับผลของของรามนั้น้อหนึ่งทำราษฎร้อตักข้นมาแา้ก็ตักว่้มีแป็นอไผู้เสียงบู้ดุต้องอ้าอ้าที่ถูกลาต่อให้วจาจะให้เข็นแขยงแรงเอ่าต่อนั่งล่นค่ะ อล้วน่วัตัดสะยนี้ก็เก่งแล้วลูกโอเคค่ะอาจารย์เก่งมากเก่งมากอายุเท่าไหร่เนี่ยไเลยครับ้เลยทำเท่าไหร่คะหลงูชอบมากเก่งมากเดีลงูมีรางวัลูไปหาลวงอเลอูห้าลูกเออเกือบเกบกแล้วครับมาห้าลูกโอ้วบเลยห้าขวบเลี้จากที่ไหนเลี้ยง้องเลี้ยงดังดั S I S V ครับครับด้วยอ่าแล้วไปเรียนสวดมนต์จากไข่ไข่สอนให้สวดมนต์สอนให้สอนสอนสวดมนต์ New I O คุณยายเรยคุณยายเอาม่าเอาม่าหรือมาแาสอนหรือสองคนเลยน้องเรียนน้องเรียนสองน้องเรียนสองไม่ใช่ห้ามพูดอะไรใครสอนใครสอนสองคนจ้า ทั้งอาม่าแล้วคุณแม่เจ้าค่ะใช่ดีมากสอนนั่นเด็กๆเนี้ยดีค่ะอเ <Okay. S 2> คเด็กก็จะเดกก็จะได้ไม่ลืมคุณจะได้ไม่ลืมนะครับดูดีมากเลยใช่ไหม ม, มีอะไรอยากถามหลวงปู่ไหมครับไม่มีแล้วครับมาที่ฉีะะจ้าค่ะค่ะพรอใจกัาบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะพระอจารย์ค่ะจะมีคำถามนิดนึงค่ะถ้าโยมหนิงไปกราบหลวงหลวงพ่อที่กุฏิค่ะถ้าทาถ้าฟังทำมาเจ้าค่ะ แล้วมันมีแมงวีอะเหมือนกับว่าเรากําลังจะแบบว่าสงบมากๆแล้วมันตุ้ดตุ้ดตุ้ดตตอย่างเงี้ยค่ะเราต้องปัดไหมคะโยนนั่งแล้วโยมกลัวเขาเข้าหูัะค่ะโยนก็เลยต้องมันกําลังจะแบบเอสงบปะค่ะโยนเลยต้องยกมือมาปัดเจ้าค่ะเห็นโยนบงคนก็เามุ้งมาคมเสียใจใชะเอามุ้งมาคุมศสียใจดูใช่ค่ะโอเคได้ค่ะได้เจ้าค่ะเพราะโยนก็โยนก็นั่งนั่งปล่อยไปนั่งนานเลยนะค่ะจนจนสุดท้ายเอ๋มัน ไม่ไม่ได้แล้วค่ะจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวเลยต้องเอามือมาปาดเลยค่ะได้จ้ะค่ะพระเจ้าขอบคุณะค่ะขอบคุณค่ะกับหลวงปู่ครับกับกับบีบีครัโอเคไพน์น้มมีความสุขนอนหลับพันดีนะค่ะขอบคุณค่ะปอนขอบคุณค่ะหลวงปู่ปอนครับขอบคุณครับปอนเร่มขอบคุณครับหลวงปู่ปอนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ดีมากค่ะถูกอืมหน้าหหลงปูแล้วน้องเรนน่ะไม่ส่งกันบ้านหลงปูเลยลูกโจไปน้องเรนเป็นน้องสาวเลยน้องเรนน้องสาวหล่ะคะน้องเลนน้องเลนลูกอะกีข่ ข, ขวบกี่ขวบคะ สามครัวตอนนี้ก็เก่งแล้วคะหลวงปู่เถิดตอนนี้ท่องได้อยู่ค่ะพ่องเรามีความแก่ได้ได้เหรอได้ได้ต้องเรียนท่องได้เหรอลูกอุ้ยไหนเธอเลยอาอาพวกพูดตรนนี้ก็ได้ต่างบอกเถิดท่องได้เลี่ยนะคะเถิดนเอาไว้เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนค่ะเอาไว้ก่อนเถิดพระปู่ไวเดี๋ยวว่าเอาไว้ว่าพร้อมๆกับพี่เลยทีเดียวได้่ ขอบคุจ้าค่ะโอเคสาธุต่อสาธุสาธุเลยพอดีพอดีจะไม่กระจจะที่ต่อถ้าบนมัสการพาอาจารย์ครับว่ามันมีอะไรไมส่งงบ้านครับตอนที่นั่งสมาที่ได้กี่นาทีแล้วครับตอนนี้สี่นาทีครับแต่อารดีนี้ไม่ได้นั่งเลยครับเพราะว่าสอบครับเอ่า มันเกี่ยวอะไระนั่งสมาธิสอบนะครับฮะ เ, เกี่ยวอะไรตรงไหนเนยไม่ครับโอเคถ้าถ้า เ, าเวลาไปดูหนังสือแต่ น, นั่งสมาธิก็ยังพอเห็นก็ยังพอฟังได้แะเวลาไปทำอย่างอื่นก็แสดงว่าไม่ไม่ถูกครับเอาเวลาไปทําอะไรไานั่งสมาธิสอบครับอ่นนังสือครับไม่ก็อกนะ ครับโอเคว่า okay. มาทำสมการบ้านมาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่องพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่องพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่องพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแน่เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ ง, งานใส่เราทำกรามบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทถือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นานั้นสืบไปเราทั้งหลายควรพิจา ร, รณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดเชื่อกรไมยเชื่อใช่ไหมเชื่อเชื่อกำก็ต้องไม่ทาบาปทำแต่บุญนะครับ โอเคเราร่ okay. างกายลราเป็นยังไงบ้างมีผมขน<ม>เล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยี่ในกระดูก ม, <า> ม, ม้ามหัวใจตับทั้งพืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองสีสัตว์น้ำดีน้ำเสล น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข้ข้อนล้วมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสด็จน้ำดีเยี่อในสมองศีรษะอาหารเก่า อาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตืิวตับหัวใจมามเยื่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันและขนปก เ, ออเวลาเห็นร่างกายของใครก็ตามอย่าลืมต้องเห็นน้าการ32นี้ด้วยน ะ, นะอย่าไปเห็นว่าเป็นจำแนกจที่เทะต้องเห็นว่ามีผมขนเล็บฟันเหมือนกัน มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะครับทำมาจากนินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราค ร, ครพยายามฝึกดูร่างกายต้องดูแบบนี้ถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาครา บ, รบแล้ปัญญาจะทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับร่างกายได้ครับนะฝึกไว้นึเราไ้รเห็นร่างกายใครก็ของเราของคนอื่นก็เห็นสามสิบสองอาการนี้ เห็นแก่แก่จิบตายในร่างกายนี้เห็นดินน้าลมไฟในร่างกายนี้แต่ไม่เห็นตัวจัแมนไม่เห็นตัวแชตตี้ในร่างกายนี้นะไ ม, ม่มีโอเคมีอะไรจะถามไหมไม่มีครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับกลาบขอบพระคุณพราจารย์ครับไปต่อที่ง น้องคุณเฟิร์คุณคุณฝนอย่างน้องน้องอะไรไม่ได้โดยเลไรหนังสืออา่านไม่ออน้องทิมน้องทิมกลับมาวันการค่ะวพลาจาอาทิตย์นีนั่งสมาธิ ไ, ได้ชั่วโมงสองสิบสองนาทีครับเราได้ครั้งเมื่อกี้นาทีเออประมาณสิบนาทีได้ครับเออสองสุดสิบนาทีเลยสุดสุดสิบอ็ดครึ่งครับอ๋อสิบเครึ่งว่าเลยการว่าเอาไปทงไหนดีเอ่อแต่ว่าจะ เอให้ได้เอ่อสิบสองครับสนะิบสองโอเคให้ได้สิบเอดทุกวันนวบอให้ได้สิบเอ็ดทุกวันนะครับดีมากแล้วนั่งมันเป็นยังไงบ้างก็เริ่มไม่รู้สึกอะไระครับไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกอะไรนะตัด อ, อืมหมายถึงว่าอะไรนะลูกเริ่มไม่รู้สึกอะไรนะไรู้สึกแบบนั่งไปแล้วก็เวลาก็เร็วเองครับอา่าเวลาผ่านไปเร็วนะครับ อ่าดีพยายามทําไปเรื่อยๆอย่างเรืองนะครับอ่มมีอะไรจะถามไหมไม่มีครับแล้เมื่อกี้นี้ไงน้ํำมูกคืออะไรครับน้ํำมูกที่อนมาทางจ ม, มูกไนงะน้ําจ ม, มูกน้ำมูดครับอ๋อน้ำมูดก็คือน้ําปัสสาวะไงอ๋อครับน้าปัสสาวะไม่ยกว่าน้ํำมูดไ ม, ไม่มีคําถทำแล้วครับ ม, มาไวเ้เนืนน้อเนื้อมีน้ํำมูดหรอือเปล่เออมีครับ อมีนะทุกคนมีไหมมีวันใช่ไหมมีหครับอ่าเวลานึกเห็นร่างกายของใครไห้นึกถึงอาการ3 2นี้นะครับอืมจะได้ไม่หลงจะได้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นยังไงสวยไม่สวยน่าดูหรือไม่น่าดูครับโอเคอ่าหาจยเอ่อของหนูก็ ไม่ได้มีอะไรคือเมื่อจะกลับเรียนพระอาจารย์เฉยๆอะค่ะพอดีเมื่อวันอาทิตย์ก็นั่งสมาธิไปแล้วก็ฟังธรรมของพระอาจารย์ไปด้วยแล้วก็พระอาจารย์พูดถึงเรื่องสมาธิอะค่ะอคือหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือเหมือนว่าพอเหมือนเจอฟังธรรมะที่รู้สึกว่าแบบเหมือนมันมันจับใจอะค่ะพระอาจารย์ เวลานั่งนั่งไปแล้วคือ น, น้ําตามันไหลออกมาเองนะค่ะพระอาจารย์แต่หนูก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรนะคะเพราะว่าพระอาจารย์เคยบอกไว้เสมอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปสนใจเวลาแบบมีน้ํามูกน้ําตาอะไรไหลก็ไม่ต้องไปสนใจปล่อยมันไปอะไแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็ก็นั่งฟังแล้วก็รู้สึกสงบดีแล้วก็นั่งต่อไปได้อี ก, อกพักหนึ่งนะคะแต่ว่านั่งได้ไม่จบหนึ่งชั่วโมง่ะคะพระอาจารย์นั่งได้อยู่ประมาณสามสิบเก้านาทีอะไแบบเนี้ยประมาณเนี้ค่ะ ปเดียพยายามฝึกไปเรื่อยจะเยนออย่าไปตั mm ้ง hmm, เ so mm ้าไกลเกินไปอ่อ่ั่งอยู่ในระดับที่เราทำได้แล้วก็เพิ่มสักข้าศ้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นตค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นไปอ่ก็ยักบขายของ่ครับปีนี้เราขายเท่านี้ปีหน้าเราเพิ่มไปสักสิบเอร์เซนเพิ่มยอดสิเปอร์เซ็นอก็เดี๋ยวนี้ก็ พยายามเมนเทนว่ามันควรจะอยู่ในระดับแบบเออ่ใกล้ๆสักสามสิบนาทีอะไรแบบเนี้ค่ะใ ห, ให้ได้ใกล้ๆสามสิบนาทีหรือเลยสามสิบนาทีขึ้นไปในประมาณเนี้ค่ะค่ะจ้านอกจากเวลาเราต้องคำนึงถึงคุณภาพด้วยนะค่ะอ่ะะาสามสิบนาทีแต่ฟุ้งซ่านมันก็ยังไม่ค่อยดีค่ ะ, ะต้องพยายามฝึกสติให้มากๆค่ะอย่างน้อยก็ไม่ให้เป็นฟุ้งซ่ า, านถึงแม้จะไม่สงบเต็มที่ก็อย่างน้อยก็ให้มัน อยู่ในร ะ, ะดับที่รู้สึกเบากว่าเม่เวลาที่เราไม่ได้นำเน่ยค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ที่พระอาจารย์แนะนําอาทิตย์ที่แล้วว่าให้หัดอยู่กับความเงียบบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าหนูอย่างอย่างมา่กหนูก็บแบบออาจจะแบบเวลาอยู่ในรถต่อให้ไม่ฟังเพลงก็จะฟังธรรมะหรือฟังข่าวค่ะพระอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ลองอยู่กับความเงียบบ้างค่ะอาทิตย์นี้ก็ลองลองอยู่กับความเงียบ แบบเพราะว่าขากลับรถมนติดนะคะพระอาจารย์ก็นั่งอยู่ในรถเป็นชั่วโมงนะคะก็พยายามค่ะถ้าเกิดไม่นั่งไม่ภาวนาพุทโธก็จะนั่งเงียบๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ทุกวันนะคะพระอาจารย์แต่ว่าก็มันก็มีบางวันที่ได้ได้หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะที่นั่งแบบเงียบๆก็รู้สึกอย่างที่บอกรู้สึกว่าความสงบมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะง อยู่กับมันได้ไม่นานตลอดเวลาอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนใจอย็นฝ่ายเราตั้งใจทำไปเรื่อยๆก็แล้วกันเพราะตัวมัพตุตัวประเด็นสำคัญก็คืออย่าหยุดทำทำไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มไปทียรเล็กเพียน้อยไปอามันเป็นนอนไม้แก่นะดัดยากกว่าไม้อ่อน ก็แฟอยางนีะเพราะว่าพยายามคิดคิดคิดเวคิดหนทางคือเราเราก็ด้วยความที่เราแบบมันมันก็มีกิเลสไปทางนู้นทางนี้เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็พยายามหาหนทางที่จะดึงกลับมาหรือว่าให้ไปทางแนวทางในเรื่องของการปฏิบัติหรือไปทางธรรมสัมมากกว่าวอะไรแบบนี้ค่ะก็พยายามดึงตัวเองไว้ตลอดอยู่ใช่ชอบกัเยอะสุดกิเลสกิเลสมันชอบดึงเราไปทางโลก ก็ไปหาราบยศสนเสริมาความสุขทางตาคูจะหมกมิจฉานกายกันค่ะเราต้องคอยเตือนว่านั่นคือทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดน<ช>ไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันหยุดนะเราต้องเดินให้ไปทางนิพพานคือการ<ช>ไม่เวียนว่ายตายเกิดโดยการไปหาธรรมะภาาธรรมะภาวนาทําทานรักษาศีลทอนาะอยังได้อย่างหนึ่งแล้วแต่เราจะพอใจที่จะทำ ดีกว่ปล่อยให้ไปทางราบยศสารเสรินทางรูปเสียงเกลียดว่ามันเป็นมันเป็นภัยต่อเราตอนจิตใจของเรามันจะพาให้เราไปเป็นวายตายเกิดไม่รู้จกกักจบจากสิน้นหนูก็พยายามทำ ให้ได้ทั้งสามอย่างนะคะพระอาจารย์คือเรื่องสีนี่คือหนูก็พยายาม ย, ยึดมั่นยังไงก็ต้องมีสีห้าค่ะทานก็ทานก็พยายามทําสม่ำเสมอก็เหลือแต่ภาวนาก็จะพยายามทําให้มันได้ได้ได้สม่ำเสมอบ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็เลยพยายามทําเรื่องภาวนาอะไรเนะค่ะแต่การ<ๆ>ย่<ๆ>อการก็สามารถทำไปได้กับได้ทุกคนไม่ว่าไม่จําเป็นต้องไปที่วัดไปที่คนใกล้ตัวเราใครก็ได้ที่ถ้าเขา น้องการความเชื่อเดี๋ยวน้นเราพอที่จะส่งคราสเขาได้ก็ช่วยกันไปค่ะทําทตลอดค่ะพอาจารย์ค่ะอืมอหนูก็ไม่ได้มีคําถามนะคะ่ะอาจารย์กล่าวขอบพระคุณพอาจารย์มากเจ้าค่ะคขออาจารย์ทักขันแข็งแรงเจ้าค่ะอ่าเปบัวตาน้องใครเป็นไงทําใจได้ยงังเตรีมตัวเดินทางรำตัวให้สบายท ำ, ทำตัวให้ใจสบายสบาย<ง>ช่ค่ะ ยาปยาต้องอะไร ย, ยินดีตามมีตามเกิดเจ้าค่ะอาจจะเราปรับตัวเองกับผู้ไขให้มันเข้ากับเหตุการณ์ประถานที่เจ้าค่ะก็ก็จะเอาคําสั่งสอนพระอาจารย์ไตปฏิบัติอยู่คนเดียวเหมือนเราไปอยู่ต่างประเทศก็เลยจะต้องใช้ธรรมะสูงเลยเจ้าค่ะกืมใช้ความเมตตามไม่ว่าจะเจอใครก็ให้ความเมตตานะ เจ้าค่ะเขาไม่เมตตาเราก็ไม่ป pues เป็นไรเพราะสังคมเขาและสังคมเราไม่เหมือนกันเขาไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพสะสระพุทธศาสนาสอนเจ้าค่ะเขาจะค่อน <She should S 2> ข้าลียาเห็นกับตัวมากกว่าเห็นกับคนอื่นเจ้าค่ะอืมอย่าไปแปลกใจเวลาที่เขาไม่ แ, แยแสเขาไม่สนใจเราอันนี้คือเป็นธรรมชาติของเขาเจ้าค่ะก็รู้สึกอยู่แต่ว่าเราก็เขาไม่เหมือนเราอย่างพระอาจารย์ว่าละเจ้าค่ะ คนที่มาจากเมืองนอกมาถึงเมืองไทยถึงชอบเมืองไทยเพราะเพาเมืองไทยเป็นเมืองที่มีอธัธยาศัยไม่รีจิตนะอ่ไปประเทศไหนไม่มีประเทศไหนเหมือนประเทศไทยแล้วเจ้าค่ะแต่มีภารกิจต้องไปดูแลแม่เขาหนูก็จะทําให้ดีที่สุดเจ้ค่ะอ่าก็อย่าไปหวังอะไรจากไทยแล้วถ้าไม่หวังมันไม่ผิดหวังเจ้าหวังมันจะผิดหวังเจ้าค่ะ เหมือนเป็นหน้าที่นะเจ้าค่ะเหมือนเป็นหน้าที่น่ะครับผู้อาวุโสเหมือนเป็นหน้าที่ที่เขาจ้างเราไปเป็นพยาบาลเจ้าค่ะก็ดีถ้ามองอย่างนี้ก็ดีได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปทํางานด้วยเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถวายปัจจัยและข้าวอีกเจ้าค่ะจ้าทศจารยมุนธนา ค่ะไม่มีคำถามเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะอ่าขอบพระที่าาไห น, นก็เข้ามาได้อยู่บ้างนอกเข้ามาได้เจ้าค่ะจะได้มีเพื่อนจะได้รู้สึกไม่เหงาเจ้าค่ะโอเคนะขอบพระคุณค่ะอ่าไปที่พนันาพัตออนออนันจะเข้ามาทีนะเป็นยังไงไรายงานตัว รายงานตัวเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพอดีอีกสองวันจะถึงวันเกิดลูกลูกก็เลยเข้ามากราบและนึกถึงพระคุณพระอาจารย์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกเชื่อมั่นในทางไม่เกิดอีกเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะการเกิดเป็นทุกข์แล้วที่ล่าสุดที่ลูกตามเฟซบุ๊กพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะได้มีแอดมินท่านโพสต คำวิริหนึ่งอะค่ะที่ลูกเอามาปฏิบัติเราได้ผลดีขึ้นก็คือพระอาจารย์มีวลีว่าเราไม่สบายใจเราดับความไม่สบายใจได้นี่เป็นความดีที่ดีที่สุดจ้าค่ะพระอาจารย hmm. อ์อันนี้ลูกชอบมากเพราะว่าเวลาเวลาที่ลูกปฏิบัติไปแล้วก็อยู่สภาวะปกติอย่างเนี้ย พอมันมีความไม่สบายใจใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันจับได้แล้วมันก็จะหาสาเหตุแล้วมันก็มันก็ดับได้เร็วขึ้นรือบางเรื่องก็ดับเร็วเร็วขึ้นเรืเร่อยๆหรือบางเรื่องก็นานหน่อยแต่พอดับได้มันก็คือทำให้จิตใจเราปกติแบบคล้ายๆเป็นแบบวางเฉยได้อย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ความทุกใจเราไม่ได้เกิดจากคนอื่นเกิดจากใจของเราเองผลิตขึ้นมาเองค่ะ อย่าไปแก้ที่คนอื่นอย่าไปอย่าไปขอร้องเขาทำนู่นทำนี่ให้เราอย่าไปหวังแก้ที่ใจเรา<ช>เราไปวังจากเขาพอไม่ได้ดั ง, ดงใจวังก็เสียใจบ้ากเจ้าค่ะพอดีพอพอสังเกตความไม่สบายใจบ่อยขึ้นอย่างเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์การที่มันไปปรุงหรือว่าไปต่อ เอาเรื่องเอาราวมันมันน้อยลงหรือบางทีไม่มีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมันจะเหมือนตัดไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเราก็เหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเราเหมือนสันโดษอะเจ้าค่ะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่บางที่อยากว่าเป็นเหมือนนินฟ้าก็จะสบายใจเีหยค่ะมันมันมันก็เหมือนเราอยู่เหมือนเหมือนมันก็ไม่ได้แบบสุขมากหรืออะไรมากอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเหมือนแบบ กลางๆ อ, อย่างเงี้ยเจ้าขา่ะวพระอาจารย์อารมณ์กลางๆดีไม่ขึ้นไม่ลงมันดีถ้าสุขเดี๋ยวเวลาลงมาก็เสียใจค่ะถ้าเจอทุกข์ก็นี่มแต่ถ้าอยู่เฉยๆกลางๆได้ดีให้สุขให้ทุกข์มันมามันไปของมันเราไม่ต้องไปอินดีอินไลน์กับมันค่ะใช่ใช่ค่ะค่ะพอพอมาจับจับความความกระเพื่องคือการไม่สบายใจแล้วมันอ่าบางทีใช้ปัญญาหรือบางทีใช้ ใช้ที่อาจารย์เคยสอนว่าถ้ามันตัดได้ก็ให้ตัดไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอมันพอมันตัดได้การปรุงการอะไรมันไม่มีเพิ่มเติมต่อให้สืสบสาวเราเรื่องอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับว่าเราก็นิ่งนิ่งกับมาอยู่กับตัวเราก็สบายขึ้นะาานะคะพอาจารย์ตอนนี้เหมือนปฏิบัติเหมือนไม่ได้อะไรเจ้าค่ะพอาจารย์เหมือนแบบมันอยู่กลางๆมากเลยเจ้าค่ะพอาจารย์ไม่ต้องการเาปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์แค่นั้นไม่ต้องการอะไรค่ะค่ะก็ ก็งานทางโลกมีมันก็ความความกลางๆของเรามันทําให้เราไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่นะเจ้าขาภาจารย์พอพอเราแบบทํางานทางโลกแบบกลางๆไเรบที่เหน่อยเพราะเราเปน็นหนังของหนังใจไปกับมันไปแบ่งมันเองถ้าเราทําแบบไม่แบ่งมันจะไม่เหนื่อยทําตามหน้าที่ไปค่ะใช่ใชค่ะก็ก็ตอนนี้ก็เหมือนเหมือนไปเรื่อยๆเจ้าขาภาจาร์ก็ มีงานก็ทํางานมีเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติเหมือนมันไม่มีเวลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เราทําได้ตอนไหนเราทําทํางานก็คือทําปฏิบัติได้ตอนไหนเราก็ทําอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เลยไป<ม>ไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเจา<ม>้าค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่แต่ก็จะมีเวลาตอนกลางคืนที่มีเวลาส่วนตัวก็ก็จะได้นิ่งนานหน่อยเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ การเก้าสมาธิบ่อยๆเนี่ยดีมันช่วยทำให้จิตเรางั้นมั่นคงค่ะนักแน่ น, นปัญญาลำพังนี่มันไม่ไม่ไม่สามารถทำให้เราหนักแน่นได้ต้องใช้สมาธิช่วยแต่สมาธิไม่มีปัญญาไม่รู้ผิดถูกดีชัว่วท่อนนี้ต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้บอกจ้าค่ะก็แผพยายาม พยายามใช้เวลาที่เราทำได้เช่นมีเวลาเดินเดินภาวนาหรือว่าเวลานั่งพอสวดมนต์ภาวนาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็พอมีโอกาสก็ก็ทำมันจะไม่ไม่ค่อยอิดออดเหมือนสมัยก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์มันจะเห ม, มือนกับว่าพอพอมีงานก็ทำพอมีเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติเหมือนมันมันไม่ต้องมาบังคับมันมากเท่าไหร่แล้วาาไม่ต้องแย่งกันไปว่าไ ป, าไปตามคิวคิวนี้งานนั้นก็ทาไป พอถึงคิวนี้งานนี้ก็ทํางานนี้ไปเหมือนลิ้นชักเจ้าข่าวพอาจารย์เหมือ น, นอเหมือนเปิดลิ้นชักเสร็จก็ปิดแล้วก็มันมันเหมือนชัดไปเลยนะเจ้าข่าวพอาจารย์บางทีมีเรื่องนี้แล้วก็เราก็แบบจบแล้วก็เรามาตอนนี้เราทําอันนี้อยู่ก็ทำอันนี้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนมีปัจจุบันมากขึ้นมันก็ก็เลยเหมือนปฏิบัติแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าข่าวพอาจารย์อยู่ในปัจจุบันทําหน้าที่ในปัจจุบันมีหน้าที่อะไรให้ทาในปัจจุบันก็ทําไป ไม่เนาไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่เนาไปคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมก็โดยโดยรวมก็ยังปฏิบัติไปได้เรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังติดตามเฟซบุ๊กพระอาจารย์สม่ําเสมอเจ้าค่ะได้ได้นําน้อมนําธรรมะมาม า, มาเป็นแนวทางในในการปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ยอดดีค่ะมีอะไรไหมมีอะไรจะถามไหมไม่มีนะ เหมือนมันมันปฏิบัติไปมันไม่ค่อยมีคําถามแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเข้าใจนะมันเข้าใจทําอะไรมา้างคำเหมือนพระอาจารย์ก็สอนตั้งแต่ต้นว่าสติสําคัญสุดลูกก็อย่างที่กับเรียนพระอาจารย์ว่าลูกก็ไปทําข้อสติเป็นหลักก่อนเจ้าค่ะเพราะว่าลูกมองมองเคยเคยปฏิบัติแล้วถ้าเราไม่เจริญสติมันมันก็ทําให้เราแบบปฏิบัติได้ไม่ดีแล้วก็ทุกข์เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่พอเรา เน้นที่การเจริญสติระหว่างวันเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าตั้งตลอดเวลาได้ยิ่งดีแต่มันก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะพระอาจารย์แต่ก็ก็พยายามทําแต่พอเราเจริญสติมากๆ ม, ม, มันก็เท่าทันอารมณ์ได้บ้างบางครั้งบ่อยขึ้นเองอะ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ทําทําการนิ่งๆมีมีการปฏิบัติได้ได้เองในหมายถึงว่าไม่ต้องไม่บังคับอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็มีฉันทะทํำของมันเองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ มันก็ไปได้เรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมดีค่ะโอเคค่ะก็มีเท่านี้เจ้าค่ะพอดีอีกสองวันจะถึงวันเกิดก็เลยเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเกิดขอให้สุขให้เจรในธรรมยิ่งขึ้นไปจ้ะให้พบชานิลดน้อยลงไปตามลําดับสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์น้องกลับนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะเมื่อกี้นิ่มน้องพี่ไปน้องพี่มาก่อยเนาะ น้องพีเข้ามาอยู่ไหมต้องพีกลั บ, บน้ำมาสการค่ะกํ <ไป S 2> าลังลเข้ามาค่ ะ, ะกำลังจะขึ้นไปนอน ล, ลืมไปเลย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะรน้ำมาสการ์ค่ะเออเป็นยังไงครับ <c oughs> มีอะไรจะมาเล่าให้หลวงตาฟังไหมวันนี้ไม่ต้องให้หลวงตาฟังไหมมีค่ะไม่มีหรือมีมีค่ะเอา ม, ามาเลยนก็ ครูสอนสอนคอมครับตั้งแต่ที่ตั้งแต่ที่หนูอะ่ะบอกครูว่าหนูจะลาออกค่ะครูก็แกงหนูตลอดเลยเนี่ยทำไมเนียครูก็ไม่อยากให้หนูลาออก่ะ็ไม่รู้อะครับแต่ตอนตอนที่หนูครูยังไม่รู้ว่าหนูจะลาออกนี่คือแบบทำอะไรดีหมดเลยเอ็นดูหนูมากเลยหลังจากนั้นนี่ก็โหไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีแบบ ไม่มีความแบบแอคทีฟแล้วก็ไม่ใส่ใจหนูแถมยังมาแกล้งหนูอีกบอกว่าคือแบบตอนตอนที่เรียนอยู่อะครับทุกคนอะไม่ได้เสียงดังเลยครูอนุญาตเท้ฟรีทามเล่นคอมได้ทำอะไรก็ได้ยกเว้นเล่นเกมหนูหนูก็ทำปกติไม่มีใครเสียงดังครับครูบอกว่าเสียงดังเสียงดังซเลนซายเลน แล้วอยู่ดีๆครูก็อยู่ครูก็บอกว่าบอกว่าให้มาเขียนงานและไม่ให้ไม่ให้เล่นคอมือและให้เขียนรายงานละแล้วก็บอกให้ให้ทุกคนให้ทุกคนเขียนหนังสือลงเขียนแบบตามหนังสืออะครับให้เอาหนังสือมาเขียนทั้งเล่มเลยลงไปในในไมโครซอฟท์เวิร์ดให้เขียนทั้งหมดให้ก๊อปปี้หมดทั้งหมดเหมือนเหมือนเน็ตเหมือนในในหนังสือเลย หนูก็งงว่าใครเสียงดังไม่มีใครเสียงดังเลยก็อยู่ในห้องเรียนครูก็สั่งเลยให้ทำวันเราทําตามคําสั่งของครูนะหนูหนูเสียใจไหมที่โดนแกล้งก็ก็งงงงว่าครูเป็นอะไรของครูล่ะนะฮะตาถามว่าเสียใจไหมคะตอบตรงคำนเสียใจครับอ่ม เราอย่าไปเสียใจเราห้ามครูไม่ได้นะครูว่าจะทําอะไรก็แล้วเป็นเรื่ของครูเขาไปครับจะทำเราจะทํางานต่อละเราลาเราลาออกจากห้องได้เนี่ยไม่เรียนวิชานี้ได้เนลยได้ไหมตอบหลงตาครับไม่ได้อ่าไม่ได้เราจะลาออกได้ไงล่ะ เขาจะที่ว่าเพราะว่าเขาจะย้ายโรงเรียนไงคะหลวงพ่กก อ, ยยอย้ายอีเพิ่งย้ายมาโรงเรียนนี้จะย้ายไปไหมไปใหม่แล้วหอเปล่าก็ยังยังไม่ได้ย้ายค่ะยังอยู่ที่เก่าอยู่ค่ะไม่ที่เก่าใช่ค่ะคือย้ายนี่คือปีหน้าค่ะอ๋อทาหน้าค่ะพูดอยู่ว่ามาม่าครับหนูขอไปดลุนเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดหนูไปที่นั่นเจอแบบนี้ครับมันจะจะต้อง ย, าย้ายหรือเปล่าทำยังไง ยังไ ง, งก็ต้องบายบายอะครับหนูอยา <Bye. S 2> ใจตัวหนูเองนะถ้าหนูเอาใจตัวหนูต่อไปหนูจะหาที่อยู่ไม่ได้หาที่เรียนไม่ได้นะย่างไหมนะเกิดมาอยู่ในโลกนี้ต้องอดทนนะ mm. อยู่ที่ไหนก็มีหน้าที่อยู่ก็ต้องอยู่ไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวก็จบแล้วนะไม่ใช่อาใจห น, ใ ห, หนูให้หนูมีพอใจอย่างเดียวหนูไม่ชอบแบบนี้หนูก็ไม่เอ า, อาเดียว แต่ถ้าเกิดหนูไปที่ไหนก็ไปเจอแต่สิ่งที่หนูไม่ชอบแล้วหนูจะหนีไป้วหนูจะไปไหนได้ล่ะล้วบอก <Yeah. S 2> หนูก็มีบอกไหมอดทนก็ดีแล้วเราจะได้เขาเาเรียกว่าอะไรก็เราจะได้รู้ท้าแท้ของคนแล้วก็ให้ได้เรียนรู้คนต่อไปในอนาคตข้างหน้าแต่เราก็ครูเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามถ้ามันไม่ใช่เป็นทาผิดศีลหรือว่าทำไม่ดี แบบนี้างคนหนึ่งก็าต้าคนหนึ่งทําแล้วก็ต้องทําตามเขาอ่ะเราเป็นนั่งเรียนเราไปเรียนอ่าช่วยหน่อยไหมหนกครับหรือบางทีครูก็อาจจะทดสอบเราก็ได้มั้งทดสอบความอดทนของเราก็ได้มองมองว่ามองว่าอุปสรรคต่างๆนั่นเป็นเหมือนกับอ่าตัวสร้างพลังให้กับเราถ้าเราไม่มีพลังไม่มีอุปสรรคเราก็จะไม่ต้องต่อสู้ ถ้าเราม่ีอุปสรรคเราว่าต้องต่อสู้ถ้าต่อสู้เราต้องมีพลังให้มากขึ้นนะต่อไปเราจะได้แข็งแก่งเดี๋ยวอุปสรรคอะไรเราก็สามารถฟันฝ่าไปได้รู้จักไหมค่ะอย่าอ่อนแอทำอะไรตามใจชอบนี่อย่าทำให้เราอ่อนแอใกล้ใกล้ ถ้าเราสามารถถ้าเราสามารถทําในสิ่งที่เราไม่ชอบได้เนี่ยเราเก่งไหมต้องทำํำในทั้งทุกอย่างชอบก็ทําได้ไม่ชอบก็ทําได้ถ้ามันเป็นของดีทําไปเลยนะออ<ค>อยู่ในโลกนี้ต้องต้องสู้นะแต่สู้กับความดีนะอย่าคือสู้ทำความดีสู้ลับความเชื่อนะ อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะหลวงพ่อเย็นแล้วยังคะข้างบนอ๋อก็เป็นไปตามตามที่ไหนก็เหมือนกันใช่ไค่ะที่บ้านหนูก็เพิ่งเ <c oughs> พิ่งเริ่มเย็นวันนี้เลยค่ะคงจะเย็นเ <c oughs> ป็นอาทิตย์เลยโอเค <c oughs> มีอะไรไหม <c oughs> <c oughs> มีแล้วคะ่ะหนูก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมคะ่ะโอเคพยายามรักษาความสมหรับสมาธของการปฏิบัติไปนะ อไปด้วยมีสเล็กกันค่ะอากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะหลวงพ่อไม่เป็นไรค่ะโอเคเอาท่านนี้ก่อนนะขอให้หลวงพ่อท่าแข็งแรงนะคะจะสาธุอาการค่ะอ่าคุณแนนต่อแนนวด้อนธานีอากาศเป็นสังไงสกนะคะรไม่มีคำพามก็คาะพูดได้เลย ค่ะตู้ไม่ได้คำถามสักคทางโอเคค่ะย <Okay. S 2> <c oughs> ังก็ไปที่คุณเอกต่ออันนี้ทางเมืองเหนือหนาวไหมคุณเอกน้อมก่านวัสดกา ร, การพระอาจารย์ครับอืมทราบอากาศเริ่มเย็นมาตั้งแต่มื่อวานนะครับพระอาจารย์ครับอ่าตอนนี้เหลือกี่องศาอากาศ อตอนเช้าตอนเช้าวันนี้ประมาณ17องศาครับอาจารย์ครับ17นะครับใช่ครับแต่แต่เช้าพรุ่งนี้กับวันศุกร์ลดลงอีกอย่างละหนึ่งองศาครับอาจารย์ครับอืมฝนเพึ่งเริ่งหยุดไปครับฝนมาตกมันหลายวันสองวันครับติดกันเลยครับอืมครับผมครับวันนี้ก็เข้ามารับฟังครับพระอาจารย์ครับผมก็ปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์ครับอืมโอเคครับผมไม่มีอะไรนะก็ ไม่หีครับอาจารย์ครับเขามากับอาจารย์และร่วมรละฟังครับผมือให้ทำ ง, งานปฏิบัติเป็นงานที่สําคัญที่สุดนะครับผ ม, มก็มันคือถ้าช่วงเย็นถ้าไม่เดินจงกรมไหมมันตอนเช้ามันจะเข้ายากครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ต้องเดินทุกวันครับอาจารย์ครับวันละนนยี่สิบกว่านาทีอ่เป็นการเจริญสติเดินจงกรมเนี่ยก็เพื่อให้มีสติมากขึ้นครับถ้าเกิดวันไหนมไม่ไม่ได้เดินอย่างเงี้ยมัน ตอนเช้ามามันมันไม่ลมมันไม่ไมค่อยเข้าครับอาจารย์ครับแต่ <plaisir. S 2> ถ้าถ้าตอนเช้าถ้าถ้าเดินโยกุมตอนช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้านี่ก็นั่งไปก็ลมก็หายไปก็อยู่กับไม่มีอะไรครับนี่อยู่กับมันว่างไปครับอาจารย์ครับไป <plaisir. S 2> อยู่แบบไม่มีลมไม่มีอะไรเลยก็มันก็สุขมันไปครับอาจารย์ครับอืครับผมความสุขที่มาจากความสงบเป็นความสุขที่เหนี่ยกับความสุขทั้งปวงครับผม ครับผมเหมือนเหมือนจะได้เจอแล้วครับอาจารย์แล้วฟรีด้วยไม่ต้องเสียเงินับทำศุกย่างเี่ไม่ต้องเสียเงินทำศึกยานี้ไม่ต้องเสียเงินใช่ครับผมไว้ไม่สติครับผมก็เจริ่มสติทั้งวันนะครับอาจารย์ครับโอเคดีมากนะครับขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผมถ้าผมปฏิบัติต่อไปครับอาจารย์ครับครับผมอ่าไม่นี่เป็นสันนิษฐานสันนิ อันนี้ก็ทำมอกลับมามาส ก, การค่ะพระอาจารย์ตอนนี้หนูก็ปฏิบัติสิญปแล้วก็ฝึกสติสมาธิอยู่ทุกวันคะ่ะกลับมาสิญปแล้ว ค, ะ ค, ะ ค, ะคะ่ะพระอาจารย์เดอใหายไปไหนมาล่ะราพัก้อนไปแป๊บหนึ่ง ค, ะคะ่ะพระอาจารย์ <laughs> <laughs> <laughs> ไปอ่ะไปเหลือเจ็ดจุดห้าค่ะไป อ, าญญญอ่านนิยายกิเลสพาไปคะ่ะแต่ตอนนี้หนูก็เลย หนูลบเฟซบุ๊กเลยค่ะว่าอาจารย์ตอนนี้ <Yeah. S 1> ตอนแรกตอนแรกก็คือมีค่ะมีไว้เพราะว่าเผื่อจะได้ติดตามเฟซพระอาจารย์แล้วก็ข่าวอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่พอถ่ายถ่ายไปเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กมันจะมีแบบอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่เราอยากติดตามอะค่ะเยอะมาก mm hmm. เช่นโฆษณาแล้วก็อะไรที่มันอยากให้เราดูอะค่ะ mm hmm. มันก็ปลุกกิเลสเราจะหนูลบบัญชีเราได้นะข้าเราได้นะเออหนูแค่ลบลบแอปไป แอปออกจากจากโทรศัพท์ใช่ค่ะใช่ค่ะแเ้าลบบัญชีของเราไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ให้เราลบใช่ไหมหนูไม่แน่ใจเหมือนจริงจน่าจะลบได้นะคะแต่ไม่ไม่แน่ใจค่ะยังยังไม่เคยยังไม่เคยลองลบค่ะแต่ว่าก็ลบแอปไปก่อนง่ายดีค่ะลองเข้ายาว์ เอาเป็นสมาชิกเขาจะได้เอาจำนวนสมาชิกมาขายโฆษณาได้ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้โฆษณาจะค่อนข้างเยอะอืมค่ะนี่แล้วละ่ะ แ, แล้วดูอะไรแทนแล้วหรอาไม่ดูแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมี YouTube นิดหน่อยค่ะพระอาจารย์แต่ ก, <laughs> ก็พยายามดูแต่เป็นแบบธรรมะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันก็ธรรมะไปเดี๋ยวก็ทำมาทำมา ใช่ค่ะกลัวเหมือนกันค่ะพระอาจารย์แต่ก็พยายามจะฝึกให้แบบส ต, ติเข้มแข็งสีลแปดก็คือจริงๆแล้วสิ 8, ่งแปดคีย์สำคัญก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมค่ะพระอาจารการปฏิบัติในคำว่าคือไม่หาความสุขจากการเสพรลปเสียงกนนลิ่นรสในรูปแบบต่างๆ คช่ค่ ะ, ะอา จ, ะาจารย์แล้วจะไปกินเรื่องกินเรื่องเดิมอเรื่องดูเรื่องฟังเรื่องสัมผันสกับแฟนนี้ก็ตัดไปหมดมาหาความสุขจากการจเจริญสตินั่งสมาธิแทนค่ะพระอาจารย์ทุกวันนี้หนูก็จะยึดว่าการเ อ, อภาวนาเป็นงานหลักของหนูค่ะส่วนงานที่อื่นๆก็จะเป็นงานงารลองค่ะที่ยังจําเป็นต้องทําอยู่ เราต้องการเปลี่ยนวิธีหาความสุขหาความสุขเปลี่ยนจากกวามมสมมาเป็นสันติสุขการมสมก็คือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเป็นของไม่แน่นอนซึ่งจะเป็นความทุกข์ได้เปลี่ยนมาเป็นสันติสุขเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่ยั่งอยู่แน่นอนถ้าเราทําได้แล้วมันก็จะสามารถทําได้อยู่เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ จะพยายามปฏิบัติให้ได้ค่ะโอเคดีมากอไม่มีคําถามค yeah. ่ะคุณมอสพาฒนาใช่ไหมก่อนหนสกการค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติตลอดนะคะพระอาจารย์ก็ยังมีความสงบก็รู้สึกดีตลอดะคะ่พะพอาจารย์แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ไปเป็นมรรพามัไม่ได้ไปเพราะว่าพอดีปากน้องชายน้องชายไปลง เออต้องเข้าโรงพรยาบาลไป <Okay. S 2> ตรวจค่ะก็เลยต้อ ง, อ ง, องดูแลคุณพอ่อมันน้ำมันน้งำยารายงานติดบ้านเะงนี้ยต้องคอยรายงานทุกอาทิตย์อ๋อได้มาวันศุกร์แทนจะมาก็มาไม่มาก็ไม่ม า, มาดีกว่ า, ไ, วาได้ค่ะ<อ>พระอาจารย์เพราะว่าจะไันที่เสียสละจับเพระ า, าพระว่ า, าคือตั้งใจป ฏ, ฏิบตัตินะก็ไปตลอดค่ะไปวันศุกร์เลยค่ะอาจารย์ค่ะกำลังไม่รายงานแล้วอาจารย์มาได้เลยอจะมาก็มาจะไม่มาก็ไม่มาทุกคนไม่ต้องมารายงานพรุงนี้ไม่มานะ เราก็ปวดหัวมานั่งฟังรายงานนี่เนะนี่ยคนนั้นไม่มา<ช>คนนี้มาไหวเป็นไปตามอัธยาศัยแล้วไม่มีดีกว่าไม่จะมปนจะต้องรายงานนะ<ช>อยากจะมาก็มาไม่อยากจะมาก็ไม่มาก็ทานั้นงีง ได้ครัว่าอาจารย์แต่ไม่ได้ม่อยากมาสวนสนมากมีชุร์แต่จะไม่ไรายงานแล้วคระอาจารย์ก็คือมีชลาร์ก็จะไม่ได้แต่ว่ามาคือจะตั้งใจจม า, ลาตลอดเพราะว่าตั้งใจปฏิบัติเราไม่สนใจจะมาแล้วไม่มามีชลาร์แล้ไม่มีชลารเราไม่สนใจไม่ต้องรอฟังข่าวพระอาจารย์ข้อมูลข้อมูลมันเยอะแล้วข้อมูลเราท่าในหัวเรามันเยอะแล้วอยากจะเคลียร์ๆมันเอาบ้งข่าพระอาจารย์ค่าวเพราะไม่มีอะไรไปสมมติทั้งหมดเลยค่ะพระอาจารย์อืมอืมเข้ า, ข า, าใจ<า> ไม่ต้องทางานเราไม่มีปัญหาใครจะมาแล้วไม่มาไม่มีปัญหาค่ะจาโอเควันนี้ไม่มีคาถามค่ะอาจารย์ยังทำตลอดค่ะอาจารย์โอเคสาธุขอบคุณค่ะอาจารย์สภัตาหายไปไหนมากลับมามื่สกครเสียงก็ยังขัดใจหาอยู่ ที่บังสัญญาของไม่ดีสัญญาของอาจารย์ ม, ยยมันก็ดีเสียงมันขัดๆหายๆไม่ดียเลยต้องกี่จะไปรูไปอะไรก็ไม่รู้ขนาดขนาไปเอาไปด้าสีนแล้วค่ะยังไม่ดีเลยต้องขออภัยด้วยฟังไม่รู้เรื่องอนาะจารย์ พนะาคุณเจ้าค่ะก็ยินดีที่ได้พบกันแล้วกันนะแต่ฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> อาจจะต้องปรับเปลี่ยนที่เั็นไงเท่าหน่ท่านงานภาพดีอยู่แต่เสียงไม่ดีเลยยงฟังไม่รู้เรื่องโอเคน ะ, <c oughs> ะ, ะไปที่คุณสาตกาช์ยน่านที่บ้านไม่ดนน้นทำท่วมนะไม่โดน ค, นคะ่ะอาจารย์ อือค่ะวัด บ, า น, บ, บานไม่ไกลทั่วมเลยนะที่นั่ที่อยู่เนี่ยทั้งเดียวค่ะพระอาจารยวค่ะแล้วก็ตั้องเดินั้นมาปุ๊บไม่ซื้ออะไรเข้าอะค่ะพอเวลาอพยพมันลําบากอืมค่ะอ ย, อยู่อยู่ห่างจากแม่น้ําไกลไหมก็ไม่ไม่ไกลอะค่ะพระอาจารย์มันมันแม่น้นําเนี่ยมันจะไปถักตลาดอะคะ่ะอืมอยู่อยู่ตรงวัดบักคลองอย่างนั้นนะคะมันลูกอยู่ใน อีกด้านหนึ่งของตลาดเนี้นะคะแต่ก็ถ้าท่วมก็ท่วมอ่ะจ๊ะหลายกิโลไหมจ๊ะจะเลื่อนฝั่งไม่น้ำมาเอ่อก็ก็ก็น่าจะฟัดไอประมาณสามสี่โลมถาจ๊ะลูก ล, กลกูลูกก็ไม่ค่อยได้จําอะไรนะค่ะแต่ถ้ามันท่วมมันก็ท่วมได้ได้หมดเลยเพราะที่มันเป็นที่ลูกเหมือนกันใช่ค่ะ<ม>ถ้าท่วมนี่ก็คือแบบ สังเกตคือถ้าบ้านพ่อท่วมอย่างเงี้ยค่ะบ้านลูกก็จะท่วมคการใช้ไม่ซ้ำกันมันที่ระดับเดีเยวกันใช่ใช่ใช<ม>ก็เลยเคยเคยพุ่งถึงขนาดนี้แล้วก็ค่อยๆก็เก็บของเท่าที่แบบเก็บได้อ<ม>ืมล้วก็เสร็จตอนหลังก็คือไ ม, ไม่ไม่ไม่ซื้ออะไรเพราะว่าอืม ม, มีมีเท่าที่จําเป็นดีกว่าใช่ใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราแบบอยู่แบบอย่างเงี้ย เราก็จะถ้าถ้าปฏิกิบัติอย่างที่อาจารย์บอกมันก็จะเหลือค่ะอเออคือลูกก็พิจารณาจากรอบข้างแคนหนงกระโปกก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปเพราะว่าลูกแค่บำนาญ น, นิดหน่อยแต่ลูกก็ดูแลแบบครอบครัวพ่อได้อะไรได้ลูกก็โอเคอแล้วก็บอกแตนว่าคือพิจารณาความตายอาจารย์ค่ะเพราะว่า มันอยู่กันแค่สองคนไม่มีอะไรนะคะก็ทานศีลภาวนาถูกต้องถ้าสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าอยากจะหลุดพ้นเราใช้ฐานศีลภาวนาเป็นทางาสาธุาธุคุณป่าวะไรต่อเสียชากราบนมันสการเจ้าค่ะ ไม่มีอะไรค่ะมาปฏิบัติบูชาพระอาจารย์ค่ะอืมคุณอย่างเรียบร้อยดีทั้งในทั้ ง, ง, งนอ ก, นอกเรียบร้อยดีค่ะทั้งในทั้งนอกก็ใช้สติเหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนพราำสอนไม่บ่อยค่ะเรื่องสติมาก่อนค่ะแล้วสมาธิก็จะมาตามอืมจิตใจสบายดีสบายดีค่ะโดยรวมสบายดีไม่หุนหวายไม่เครียดไม่ทุกข์ค่ะ อีกหน่อยก็น่าจะเหมือนคุณอะไรนะคะที่ที่เขาลาออกแล้วเขาไปไปอยู่ต่างจังหวัดนะค่ะอะส่วนที่จะต้องไปต่อสู้น่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้กับการเป็นแจ๋วให้แม่เขาค่ะอะก็ดีได้ย๋ยะไปตอบแทนมือคุณแม่ด้วยให้ปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะคุณเออคุณแม่เขาแม่เขาจะเป็นคนที่ติดพวกคราโเกะร้องเพลงอ่ะเมื่อก่อนหนูหนูก็พยายามจะแบบ ใส่ใส่เยอะอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ใส่บาทพระอาจาราย์ก็พยายามถ่ายเหมือนถ่ายทอดที่แม่เขาดูด้วยพอช่วงหลังๆเราติดภารกิจแล้วเราก็นานๆกลับไปทีใช่ไหมคะไปเตรียมไปเตรียมอยู่เตรียมอะไรเงี้ยพี่อยู่รู้สึกว่าแม่เขาจะถดถอยลงเยอะแต่ก็ก็เคยบอกเขาว่าเออแม่แม่สดมนไหมเขาช่วงหลังเขาก็เลยบอกเขาก็เลยบอกเลยว่าเออแม่ชอบร้องเพลงแตห่หนูก็เลยไม่หนูเลยไม่ว่าอะไรเลยะคะ่ะแม่บอกงั้นแม่ร้องเพลงเลย ร้องร้องให้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแต่แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะพาไปไปสวดมนต์พาไปไหว้พระนาอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคกขมากันคนละครึ่งทันอ่าก็อย่าไปฟื้นบางเท้าเพราะแล้วกันเจค่ะใช่ค่ะหนูเข้าใจดีเลยค่ะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าต่างฝ่ายต่างวัดบีบบางเท้ากันนะคะตอนนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูหนูไม่ทุกข์เลยเพราะหนูเอาเอาเรื่องความทุกข์มาเป็นมาเป็นบท บทที่เราทดสอบว่าเราเราใจเราเบาแค่ไหนหนูก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดกับเรื่องความทุกข์เท่าไหร่กับขอบอ่ะคุณอ้าพวพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูจะไปที่เกาะสีชังอะ่ะได้เวลาไปไปทํางานปะเอ่เอครูบาบุญชุ่มเขามาพอดีตอนแรกหนูก็จริงๆจะมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วค่ะแล้วหนูหนูคิดว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติทํามก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นได้เจอ ได้เจอพระอาคาะแหละอะไรเงี้ยค่ะพอช่วงหลังๆมาก็เลยรู้สึกว่ า, าก็เฉยๆเพราะว่าเราเรียนธรรมะมาะเราเอาที่ตัวตัวคําสอนมาเป็นหลักเราไม่ได้ติดสรีระอะไรเงี้ยค่ะใช่อย่ า, าไปติดคนแล้วติดคําสอนค่ะของพระอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนก็เจอรู้สึกแบบเป็นกําลังใจมากๆตอนนี้รู้สึกว่าได้คําสอนพระอาจารย์มาใส่หัวค่ะมันมันก็ สังลึกไปในใจแล้วหนูก็มีความสุข ม, มากๆค่ะ ข, ขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่ถูกต้องค่ะดีสาธุดาขอบพระคุณค่ะคุณนาลีเชิญพุทาการจากหลวงพ่อค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหม่อปฏิบัติทุกวันนะคะหลวงพ่อ ดีไม่มีอะไรนะอือดีส่หลวงพ่อค่คือตอนช่วงเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันสุดมันก็ไม่เอาทุกมันก็ไม่เอาหมายถึงว่ามันไม่ได้ไม่ได้เข้าไปยินดียินร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็รู้สึกเฉยเฉยะ มาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับสติอะไรต้นเน้ยค่หลพ่อแล้วก็ความทุกข์มันก็อยู่ความสงบนะโลกนี้โลกของความสุขความทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยค่ะมันเป็นไปเปลี่ยนมาเราเฉยๆกับมันมาอยู่กับความสงบเป็นนักปล่อยวางอยู่กาดปล่อยวางไม่ยึดไม่ติด นามยศสระเสริญสุขจะขึ้นก็นไม่ไม่ดีใจจะลงก็ไม่เสียใจก็าจมาอยู่อยู่แบบสงบได้ในที่ที่มันวุ่นวายค่ะหลวงพ่อแล้วก็ยอมรับ<ม>ทุกอย่างแม้ แ, แต่ร่างกายสังขารที่มันเปลี่ยนแปลงมันจะแก่มันจะอะไรเนี้ยข่ะหลวงพ่อเราก็ยอมรับแล้วมันมันก็อยู่ได้มันก็สุขได้แล้วก็ไม่ไป เล้วอะไรนะคะไปนึกถึงอดีตหรือว่าจะไปคิดถึงอนาคตอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อคือมันอยู่กแบบับนณะตอนเนี้ค่ะหลวงพ่อมันปัดได้มันก็สุกณนะตอนเนี้ยเลยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. มันไม่ต้องมีอะไรและใจมันก็ว่างๆมันมืนไม่มีอะไรเข้ามาขันในใจค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แล้วไปทําอะไรมันก็ยังสงบได้ค่ะหลวงพ่อเดินเดินแล้วก็ฝึกสติประจําวันอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อ มันยิ่งทําให้สมาธิเราอ่ะแข็งแรงขึ้นค่ะหลวงพ่อเนี่ยเป้าหมายห้คือความสบงบค่ะหลวงพ่อความสงบเป็นที่พึ่งของใจถใจสงบแล้วใจยังไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับอะไรค่ะหลวงพ่อเห็นเห็นผลมากๆเลยค่ะหลวงพ่อดีมาทําไปเรื่อยๆนะ ขพออากขอบพระคุณพขาโอเค okay. คุณลูกตาลคุณหมอลูกตาลวันนี้ก็มีหมอหลายคนน ะ, ะคุณแม่ด้นระมัส ก, การค่ะนมัส ก, การค่ะ อ, อาจารย์อืมเป็นยังไงสบายดีสบายดีค่ะภอาจารย์สุกายสบายใจค่ะอันนี้ก็พอทุ ก, ทกน้อยลงสุขค่ะสุขมากขึ้นค่ะ สบาสุขกายสบายใจก็ปฏิบัติถุกวันี่ค่ะพระอาจารย์ค่ะนอนไม่หลับก็นั่งสมาธิค่ะตอนนี้ใช้ยันใช้ยันเป็นพิเศษค่ะดีไปเรื่อยเวลาจะนอนไม่หลับก็นอนสมาธิไปก็ได้นอนไม่อากคิดนอนแล้วก็ดูลมไปพุโทโธไปเนี่ก็หลับค่ะพระอาจารย์ ใช้เป็นวปนวิธีนอนหลับก็ได้คือการฝึกสติเนี่ใช้ได้ทั้งนั่งสมาธิใช้แบบทําให้จิตสงบนั่งสมาธิก็ได้หรือทาแบบนอ น, นอนให้นอนหลับก็ได้อเป็นยาวิเศษสติเนี่ยธรรมโอสค่ะไม่มีอะไรจะถามไม่มีอะไรจะพูดวันนี้ไม่มีคําถามค่ ะ, คะ โอเคถ้างั้นเาท่านนี้ก่อนนะค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะอะไรที่คุณคุณปุ้ยคนนี้ชาบพูดเดี๋ยวปล่อยพูดเต็มที่เลยว่ามาพ้ยนักสสมอกลาวนึกว่าารค่ะอจารย์กพูดตั้งแเดิมนี่แหละมันอัดเทปว่รือล่านี่ <laughs> อันนี้อัเทปว่ร า, าวิดีโอเปล่าเนี่ยไม่ได้อัดเทว่าตัวจริงเสียงจริงมันไม่ใช่ไ <laughs> อเรับ <laughs> ไม่เอไออะโยมไม่มีอะไรโยมก็เข้ามารับพลังแล้วก็มากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่พระอาจารย์สั่งสอนเพราะโยมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์นั่งฟังเทศพระอาจารย์ทุกเช้าแหละคะ่ะแล้วคือคือโยมคิดว่าถ้าโยมไม่เจอพระอาจารย์โยมก็คงจะไม่เดินมาถึงจุดนี้ค่ะเพราะว่าการถอยออกมาจากที่ทํางานวุ่นวาย บางคนบางส่วนอาจจะเห็นว่าโยมเนี่ยขี้เกียจแต่ว่ามันไม่ใช่ความขี้เกียจโยมรู้ตัวเองและโยมคิดว่าพระอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มของเราเนี่ยก็โยมจะรู้ว่าเอ่อปกติแล้วยมถือสินห้ามาพอโยมถอยมาถือสินแปดเอ่อโยมรู้สึก ด, ดีแล้วก็เหมือนอย่างพระอาจารย์พูดว่าถ้าเรารู้จักประหยัดอย่างเงี้ยเงินมันก็จะเหลือเก็บแล้วเราถอยออกมาเราอยู่เฉยๆเรานิ่ง เงินมันเหลือยิ่งกว่าตอนที่เราทํางานค่ะพระอาจารย์โ mm hmm. ยมก็เลยกราบขอบพระคุณพระอาจารย์แนะบางทีคือโยมเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะเป็นคนที่แบบว่าวุ่นวายแต่เราก็ไม่รู้ว่าเวลาเรามาเจอพระอาจารย์ทํำไมเอะเราเป็นคนอารมณ์เย็นโยมก็ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเยอะแยะโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่โยมมาฟังพระอาจารย์มันเป็นอะไรง่ายๆแล้วยมฟังแล้วแบบเออเข้าใจเลย เพราะอาจจะเป็นเพราะโยมไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาบาลีค่ะโ ย, ยมฟังพระอาจารย์โยมก็เก็ดเลยฟังแป๊บเดียวโยมเก็ดเลยคําแรกที่พระอาจารย์นำพายโยมมาเจอพระอาจารย์ก็เรื่องความเมตตาออตอนนั้นโยมรู้เลยว่าเออใช่สิ่งที่พระอาจารย์พส์เนี่ยคือไม่รู้ว่าพระอาจารย์โพส์เองหรือจะเป็นแอสมินนะคะแล้วโยมก็เลยติดตามพระอาจารย์มาตลอดก็เลยคิดว่าตามไปตลอดทุกชาติเลยอะ ไม่ไม่ปล่อยแล้วตามไปตลอดอย่าตามมาเลยฮากายยมดยมบอกน้องหล่าแล้วตามไปตลอดตามน้องๆพี่ๆไปตลอดแบบยมอาจจะไม่ใช่คนเก่งนะคะพระอาจารย์แต่ว่าเรื่องศีลแล้วยมจะไม่ไม่จะจะรู้สึกว่ากลัวมากจะไม่ไม่อยากทำบาปแล้วตอนนี้แล้วก็ยมก็ปฏิบัติเช้าก็พยายามตื่นเออ นั่งสมาธิใหได้บางทีแบบโยมรู้สึกว่าไอตัวขี้เกียจหรือตัวกิเลสเนี่ยมันยังอยู่โยมก็พยายามต่อสู้กับมันโยมไม่มีปัญหาอะไรหนักๆเหมือนอย่างคนอื่นตอนเนี้เพราะโยมผ่านปัญหานักหนักมาเยอะแล้วตอนเนี้ยมันมีปัญหาเดียวก็คือโยมต้องต่อสู้กับกิเลสต้องเอาเอาชนะไอตัวขี้เกียจให้ได้ค่ะเพราะโยมรู้ว่าเวลาโยมนั่งได้อย่างเมื่อวานเนี้ยที่โยมนั่งได้เนี่ยมันจะเหมือนกับมีอะไรที่บอกกับโยมว่าเฮ้ยไม่ต้องออกไปนะ นั่งนั่งต่อไปนั่งต่อไปแล้วแบบมันสงบสงบแล้วมันแบบมันมันนิ่งแล้วเรารู้สึกเลยว่าถ้าเรานั่งท่านี้เหมือนอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าให้จําไว้นะว่าเรานั่งยังไงที่มันสงบแล้ววันต่อไปเราก็จําท่าเนี้ยมานั่งอีกลมก็ทําตามอย่างนี้เลยค่ะในพลดีไหมก็ได้ดีนะคะมันสงบแล้วเรารู้สึกว่าเรามีสติแล้วเวลาเราจะไปคุยจะไปพูดจะไปอะไรอย่างเงี้ย มันจะสอนเราเลยว่าเวลาเราออกไปนอกบ้านเราจะไปพูดไปอะไรหรือจะไปพูดกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเราเออเราแบบว่าไม่ไม่วิ่งเลยเราทําให้เรามีสติคิคดว่าฟังให้มากๆพูดให้ใ น, น้อยๆแล้วก็เ อ, อคิดก่อนที่จะตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือคือสิ่งที่พระอาจารย์สอนนี่เหมือนกับเออโยมเนื้อถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านี่กี่กี่พันกี่ร้อยปีนี้มันใช้ได้เลย ใช้ได้มากๆเลยค่ะโยมโยมนั่งนะนั่งแบบมันเงียบเงียบแล้วแบบมันเหมือนกับมีมโยมมองเข้าไปแล้วมันโยมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะโยมก็เลยบอกว่าเฮ้ยสงสัยอย่างที่พระอาจารย์พูดแบบมันถูกต้องเพราะโยมฟังเทปพระอาจารย์อยู่เมื่อสองวันที่แล้วพระอาจารย์บอกกับเ อ, อคนคนหนึงมันเป็นเทปเก่าอะค่ะที่พระอาจารย์พูดว่า ให้พุโทโธไปตลอดอยู่ในส้วมกับพุโทโธอยู่ในห้องน้ํากับพุโทโธพุธโทโธกินข้าวกับพุทโธโยมก็ล อ, ลองลองทํามาแล้วลองทํามาสองสมอาทิตย์แล้วพอเวลาโลยมไปนั่งสมาธิเนี่ยเพราะว่าโยมเรียนมาจากสัมมรหลังพอโยมมาเปลี่ยนกันทางนี้โยมก็ลองไปนั่งโอ้ยมันก็ได้ผลนะพระอาจารย์ได้ผลมากๆเลยค่ะได้ผลมากๆคือมันจะทําให้ใจอ่ะเรารู้เลยว่าพุโทโธไปอยู่ตรงไหนพุโทโธมันไปอยู่ตรงกลางใจเลยอ่ะ มันมันโยมก็ไม่รู้ว่าโยมรู้ได้ยังไงโยมอธิบายไม่ถูกค่ะพระอาจารย์โยมรู้แต่ว่ามันมันสงบมาค่ะไม่รู้เฉยๆก็แล้ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเนาะมันอยู่ที่ไหนก็ก็อยู่กับมันไปก็แล้วกันแล้วและโยมชอบนอนสมาธิโยมเปิดเอคลิปเก่าของพระอาจารย์น่ะอืแล้วโยมก็นอนนอนสมาธินอนนอนพุทโธไปนี่แหละ ยมไม่รู้ยมจะบาปปังแต่ยมขออนุญาตพระอาจารย์ก่อนคฟังนะโย่แล้เรียกว่าไม่ได้นอนสมาธินอนหลับนอนเพื่อหลับ้านอนก็เพื่อหลับแต่แต่ยมทําสมาธินะก่อนก่อนจะนอนเนี่ยคือคือยมยมยมอธิษฐานแลนะยมก็ขอขมานะพระอาจารย์ยมจะขอนอนสมาธิแล้วยมก็เปิดเทปฟังแล้วยมก็พุทโธพุทโธแล้วกยมก็ใส่หูให้ให้ธรรมะมันใส่หูเพราะยมคิดเอาเองว่าถ้าถ้าเกิดโยมฟังมากๆเนี่ยคือ มันจะขัดเกาใจให้มันใสๆเองโยมก็เลยโยมคิดเอาเองนะฮะอ่าจะเป็นความเพ้อฝันของโยมแต่มันก็ได้ผลนะพระอาจารย์เพราะว่ามันทำให้โยมรู้สึกเออพูดช้าโยช้าลงทำอะไรช้าช้าลงทำอะไรมีเหตุมีผลเหมือนคนที่ันปกติขึ้นนะคะพระอาจารย์พบตอนที่โยมมาเจอพระอาจารย์โยมเหมือนคนที่แบบว่าเหมือนเราเหมือนคนป่วยอะ คนเส <มา S 1> สสติจริงจริงเรื่องนี้เรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องจริงแต่พอพอเวลาแบบฝึกไปมากๆเรารู้สึกว่าเออเราเป็นคนดีขึ้นเราเป็นคนที่มีคุณค่าของชีวิตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออโยมก็เลยแบบนะบางทีโยมก็แชร์แชร์คลิปของพระอาจารย์เพราะว่าเวลาใครเห็นเนี้ยเขาเข้ามาฟังเขาเขาเขาไม่สบายใจ เขาะจะได้มีความรู้สึกเหมือนกับเราอย่างเนี้ยค่ะโยมคิดอย่างเนี้ค่ะอือ ม, มีมากมีอะไรไหมไม่มีค่ะโยมก็อธิษฐานคิตว่าโยมจะเดินตามพระอาจารย์แล้วก็โยมก็จะเดินทางทาไปตลอดอย่าอย่าให้โยมได้ทําบาปนะคะโยมมารับพรรับพลังค่ะอาจารย์ก็อยู่ที่ตัวเราเองอะอยู่ที่ตัวโยมจะทําบาปหรือทำบุญนี่เราต้องเป็นคนทําเองไปโทษคนอื<ๆ>่นไม่ได้นะ จริงค่ะโยมก็ตั้งจิตอะแล้วค่ะว่าเอยังไงยังไงโยมก็เดินทางนี้แหละสบายที่สุดคือมันถามว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันสบายไหมมันสบายนะมันมันดีกว่าการใช้ชีวิตคู่คนบางคนบางทีเราคิดว่าเราเหงามันไม่มันไม่เหงาเพราะว่าเวลาปฏิบัติธรรมนี่มันเวลามันสั้นจริงๆพระอาจารย์อืม อย่างเมื่อเราเผิ่อแป๊บเนี้ยวันพุธอีกแล้วเอ่ายมจะต้องมาเข้ามารายงานตัวอีกแล้วื่โยมบางทีโยมแบบถ้าทาเนี่ยนะเจ็ดเจวันเนี่ยโยมประทึปฏิบัติดีมาตลอดเหลืออยู่แค่เมื่อวานเนี้ยเองโยมแบบตื่นไม่ได้อะพระอาจารย์ตัวขี้เกียจอมันมาทับตัวโยมอืมันโยมแกะมันไม่ออกจริงๆริอะพระอาจารย์อืโยมมาขอรับพลังพระอาจารย์ค่ะขอให้ปัด ขอให้โยมอ่ะเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะพระอาจารย์น้าขอาให้ได้สมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการที่ต้องการค่ะทุกขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าค่ะโยมน้อมถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุจ้าอะไปที่คุณยินดีต่ออันนี้ยินดีได้มาวมาทุกวันเป็นยังไงบ้าง ก็มีความสุขค่ะท่านอาจารย์อืมได้อยู่มันเป็นคนเทีวคนเทวบุญนะเมื่อก่อนอยู่ต่างประเทศไปไม่มีวัดไม่มีวัดไปค่ะกลับาเมืองไทยนี่มามันคนขายไม่ได้กินทุเรียนว่ากลัมต้องกินทุเรียนทุกวันเลยก็มีความสุขใจค่ะท่านอาจารย์ที่ได้เห็นท่านพระอาจารย์ด้วยค่ะท่านอาจารย์มันก็ มันอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วก็มีพลังอะค่ะท่านอาจารย์อ่าท่านอาจารย์แล้วก็อ่าเดวิดทอมมัวธนาบุญมาตลอดเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์เพราหนูบอกเขาว่าเนี่ยค่ะก็ทําบุญแล้วเขาก็อวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์บอนซองเต้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะสาธุขอบคุณมากอ่ค่ะก็มันก็ต้องหนูก็ขอโกยก่อนค่ะท่านอาจารย์คือ ต้องต้องไปต้องไปถึงจุดที่เราไม่ต้องไม่ต้องพึ่งใครเนี่ยอันนี้อาจารยังต้องพึ่งกมาพึ่งไปก่อนจุดหมายปลายทางก็คือเราต้องไม่ต้องเราต้องพึ่งตันเองให้ได้อยู่ที่ไหนแล้วก็มีความสุขได้ค่ะอันนี้คืออันอันอันนี้แต่ด้วยความที่ว่าท่านอาจารย์ยังยังเป็นล่องโพล่องสให้อยู่ลูกก็ขอพึ่งไปก่อนค่ะท่านอาจารย์จุดนั้นแต่ทุกวันนี้ก็พยายามนะคะท่านอาจารย์อย่าง บางทีเนี่ยลูกยอมรับการสมัยก่อนเวลาลูกจะกลับหรือลูกจะเดินทางลูกจะบอกท่านอาจารย์แบบมีความรู้สึกมันมันมันเป็นอะไรที่ทําให้ชุ่มชื่นใจแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเออเหมือนกับว่าเ อ, อการเดินทางมันจะแบบราบรื่นปลอดภัยแล้วณนะปัจจุบันเนี้ยค่ะก็เริ่มหัดนาคะว่าเราจะไม่ลองบอกดูซีแล้วก็ลองลองลอ ง, ลองเดินลองเดินทางด้วยตัวเองแล้วแบบ ที่อาจารย์บอกมามาแบบมังเยีบเลยเหนออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะท่านอาจารย์เโอเ okay, คค่ะท่านอาจารย์ก็ลองดูคะ่ะแบบค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะแต่ยัง ไ, ไงๆลูกก็ขอพึ่งใปบุญท่านอาจารย์ไปก่อนคะ่ะท่านอาจารย์ยินดีตามมีตามเกิดช่วยยินดีต้องยินดีตามมีตามเกิดค่ะท่ า, ทานอาจารย์ลูกขอพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะที่มาอยู่วันนี้ก้าวหน้าค่ะท่านอาจารย์โอเคสาธุ ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะอ่าคุณหมอแนทกับคุณหมอต า, ตาเช่นเป็นหมอหมอทั่วไปไม่หมอเฉพาะทางด้วยกับนรักสการ์พระอาจารย์ค่ะเป็นหมอเฉพาะทางค่ะพระอาจารย์ตาเป็นเฉพาะทางปอดหรือเป็นผิวหนังค่ะอ่าครับก็ก็ อ, อยู่ที่มาอยู่ชนบุรีก็เรียนเรียนจบที่ที่ชนบุรีครับอาจารย์แล้วก็เลย่ที แล้วก็ไปไปต่อที่ซิลิลาดช่วงสั้นๆครับแต่ว่าของ<ม>ของมอเนเขาไปเรียนที่จุฬาครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่ยาวครับจ บ, จบจากจากมุชชนบุรีไปได้วยกันทั้งคู่เลยใช่ครับใช่ครับตจบที่ไหน ม, มอโบวว่าจริงมันเป็นอ่สถาบันผลิตแพทย์ร่วมกันระหว่างจุฬากับโรงพยาบาลชนบุรีครับ อ, อาจารย์ครับแล้วก็แต่ว่าที่มามามาม า, มาอบรมด้วยกันจะเป็น ก่อนจะไปต่อเฉพาะทางจะเรียนอายุรกรรมสามปีก่อนครับที่มามาเรียนด้วยกันคือที่เรียนอายุรกรรมครับอืมรเรียนที่สถาบันที่ชนบุรีเนี่ใช่ครับที่ที่โรงพยาบาลชนบุรีนะครับก็เป็นสถาบันผลิตอ่แพทย์เฉพาะทางของกระทรวงสาธา ร, ร, รณสุขครับอานะจารย์แล้วก่อนหน้านี้เต้องจบอะไรมาถึงจะเข้าเข้าที่นี่ได้ก็ต้องต้องต้องจบแพทยศาสต ร, รบัณฑิตหกปีมาก่อนครับแล้วก็ ครับแล้วก็มามาเทรนนิ่งเป็นแพทย์เพิ่มปรนทักษะก่อนครับแล้วค่อยไปต่อเฉพาะทางต่อไปครับจบจากที่ไหนมาก่อนที่จะมาต่อที่ชนบุรีของของหนูจบจากที่เชียงใหม่ค่ะพ่อจ้าเชียงใหม่ของของผมจบมาจากที่จุฬาครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาเป็นแต่เป็นโครงการร่วมของจุฬาแต่ชนบุรีครับเขาก็จะเรียนที่ละครึ่งหนึ่งครับครับเรียนสามปีแรกแล้วก็มาต่อสามปี ใช่ครับแบบนัรักปีไม่ใช่เก้าปีนะไม่ใช่เก้าปีนะอ่าถ้าเกิดแพทยศาสตรบัณฑิตก็เฉพาะหกปีครับอาจารย์อืมแล้วก็มาค่อยมาต่อเฉพาะอีกสามปีครับไมแต้ก็ไปต่อที่ว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยชานสองปีครับอาจารย์โอ้ยเรียนเยอะนะท่านทาเองท่านทำแค่เจ็ดปีนั่นเองน่าจะมเรียนทางธรรดีกว่านะอ๋อนั้นนั่นดีครับ ครับทำทำก็เจ็ดปีถ้าเนปะ็นจริ ง, รงด้วยครับอาารย์เจดปครับก็ตอนนี้ก็ ก, ก็เลยพอมันมาทางโลกแล้วมันก็มันก็ไปเรื่อยๆมันก็งงๆตัวเองครับมาถึงจุดหนึ่งก็พอมีเริ่มมีถึงจะเริ่มมีปัญญามามาทางธรรมครับจริงๆผมเองก็เพิ่งมาสมนใจทางธรรมในช่วงช่วงช่วงหลังจบเป็นหมอเฉพาะทางอะไรมานี่เองครับช่วงแรกก็เรียนอย่างเดียวเลยครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้นะครับ ก็ตอนนั้นก็เราคิดถึงการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นหลักเยเป็นอาชีพครับใช่ครับแต่ตอน<ร>นี้ก็เหมือนเรียนทางธรร ม, มคิดว่าจะเป็นงานเป็นเป็นทางหลักค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าแบบตอนเนี้ยคงจะต้องเรียนไปตลอดชีวิตครับพระอาจารย์เราเรียนเฉพาะทางทางธรรมก่อนะ<ำ>แต่บางทีเคยเค ย, เคยคิดเหมือนกันครับว่าถ้าถ้าเรียนทางโลกมันมีกําหนดครับเช่นว่า เออหกปีเราต้องจบนะหรือเรียนต่ออีกสามปีต้องจ บ, บแต่พ อ, อพอมาเรียนทางธรรมบางทีมันมีความมันมันอาจจะเผลอประมาทไปครับคิดว่าจะ น, าน่าจะมีชีวิตไปอีกนานน่าจะเรียนไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ความไม่แน่นอนของชีวิตมันก็มีครับก็พยายามเตือนใจตัวเองอยู่ครับเพราะว่าไม่ไม่งั้นมันจะเป็นลักษณะจะเอเื่อยเฉยไปหน่อยครับใช่เพราะคุณหมอเนี่ก็เจอคนไข้อยู่ตลอดเวลานะครับน่านจะเป็นเครื่องเตือนสติได้ดีพอสมควรนะ ใช่ค่ะพระอาจารย์เปลี่ยนเกิดแก่เจ็บตายค่ะพระอาจารย์ครบหมดเลยนะกาก็ลงโรงพยาบาลแกแกก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเจ็บก็ต้องเข้าโรงพยาบาลตายก็ตายที่โรงพยาบาลรู้สึกชีวิตมันมีจํากัดอะค่ะถึงบางทีแบบยังไม่ตายแต่ว่าจริงๆฮาร์ไลท์ในตอนที่ชีวิตฟังก์ชั่นอยู่อาจจะมีไม่ได้ไม่ได้ไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะบางทีป่วยเราไม่ได้ฟังกชันแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่ยังฟังก์ชันเลยคิดว่าจะต้อง ใช้ใช้ร่างกายนี้ให้แบบเป็นประโยชน์ค่ะอาจารย์รีบรีบทเสร็ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะค่ะพระอาจารย์จะฝึกฝนค่ะพระอาจารย์ครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณพระอาจารย์นะคะอ่าคุณมาริการาทิวานคุณพ่ออยุเท่าไหร่เนะตอนนี้อือ90แล้วค่ะพระอาจารย์90นะ เป็นบริการก็เจ็ดสิบหกสิบห้าค่ะ65สิบห้าเป็นลูกคนตค่ะอืมลูกคนคนแก่เีเลยคนแก่เลี้ยงคนแก่คนแก่ดดะ่คนแก่ดูแลคนแก่นะค่ะว่าเราก็แก่พ่อก็แก่แก่กันตะคุดูก้ลานก็เลยไม่มาดูแลอะไรไม่มีใครดูแลพวกเราสามคนพี่น้องยกอขอพระอาจารย์ ลูาเขาไม่มาช่วยลูกหลานมีมีหลานแค่2อคนกับอาจารย์เป็นผู้ชายแล้วก็น้องคนเล็กเขาทำงานอยู่ที่พะเยาเยอะค่ะอาจารย์บ้านก็อยู่เชียงรายงานอยู่ที่นั่นก็หลายปีแล้วไม่เคยได้กลับเก็เลยบอกว่าฝากเลี้ยงฝากดูแลพอหน่อยก็ส่งตางมาให้อยู่ส่วนอีกคนคนกลางก็ก็ติดูแลสามีตอนนี้ลูก สองคนก็โตกันหมดแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็หลานหลานมีน้อย <c oughs> ก็เลยก็ดูแลกันไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็ได้เรียนรู้บอกว่าสิ่งหนึ่งก็ได้เรียนรู้ตอนนี้รู้หมดแล้วรู้แล้วว่าลักษณะปุงเก็บเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้แต่เวทนาพ่อตรงที่ว่าพ่อตาไม่เห็นค่ะอาจารย์เริ่มจะไม่เห็นก็คือทำตาฟ้าฟางไปตึกษาคุณหมอว่า จะทำยังไงก็คุณหมอบอกว่าผ่าอย่างเดียวก็คือไม่ไม่ใช่ผ่าก็คือลอกตาอย่างเดียวอื mm hmm. แต่ว่าอายุมากแล้วก็คงจะยากต้องหน่อยหนึ่งหูก็ไม่ค่อยได้ยินเ จ, จ้า mm hmm. ค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆแล้วก็พ่อก็ดีขึ้นในลักษณะที่ว่าพ่อจะไม่เรียงเยอะมากก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ้าค่พะอาจารย์ เก็ดีค่ะปฏิบัติคิวครอราจารย์แต่ว่าก็มันก็ยังติดขัดเพราะในลักษณะที่ว่ามันเราไม่ได้ปฏิบัติต่อยาวครัอาจารย์ก็คือมันมีปัญหาตรงนั้นแต่ว่าได้ทําอยู่ตรงในจุดนี้เจ้าค่ะอาจารย์ก็เหมือนแบบที่น้องๆเขาพูดนั่นแหละผว่าพอได้ได้ศึกษามากับผู้อาจารย์ตั้งแต่แรกก็สองสามปีแล้วแล้วก็ขึ้นขับด้วย การคำถามนั้นเราจะไม่มีเลยเพราะว่าจะถามอะไรละ่ะในเมื่อเราสติเราน้อยก็มันก็มีปัญหาจะมีความอยากก็มีปัญหาแล้วพอทุบเราไปมองตรงไหนไปมองที่ไจรักว่าพอใจรักมันไม่ไม่ได้แล้วถ้าเรามองได้เรามีปัญหาก็โอเคครับอาจารย์อันน<ด>ั้นกะ็คืเราเห็นใจแล้วมันก็จะไม่ทุบเจ้าค่ะอาจารย์ก็ในนั้นได้แต่ ต้องพยายามต้องพยายามบอกว่าอายุก็มากแล้วเราต้องพยายามให้มากขึ้นไม่รู้จะตายหรือว่าอะไรอาจารย์บ้านบ้านบ้านบ้านอยู่ใกล้คุณอุสาหรอเปล่อยู่อำเภอเดียวกันไหมอาจารย์อยู่คนละอำเภอค่ะอาจารย์อำเภอเลยนะต้อยู่อำเภอละแงะอคุณออุตสาอยู่อำเภอแหวงก็ไกลกันหน่อยเนยไม่รู้จักกันได้ไง ก็ไปรู้จักกันตอนที่อยู่สุขรินเจ้าพระพระจาจ้าลูกเคยทํางานเป็นครูอยู่ที่เป็นครูมัธยมค่ะพระอาจารย์แล้วก็เป็นอาวุโนักบุญ ป, ประุมก็ขึ้นไปทําบุญที่สุครินก็คือเป็นวัดสายป่าของหลวงปู่มั่นเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ก็ท่านก็ปฏิบดดัติดีพระอาจารย์ที่นั่นก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เลยก็ไปเจอการที่นั่นก็ได้เล่าใหกันค่ะ แล้วก็พอต่อมาพอพวกเราในความเชื่อมแข็งขึ้นพระอาจารย์บอกว่าเอ่อพวกพวกเราให้มาต่อก็คือมาแนะนำพระอาจารย์ให้แต่ว่าให้ลงเข้าไปศึกษากับพระอาจารย์สุชาติสิก็การเลยมาคอยๆขึ้นเขาก็แนะนำกับพระอาจารย์ก็ได้บุญได้กุศลตรงนี้ก็ได้รู้จักกันตรงนั้นเยอะไรก้าวห 9, น้นาทางธรรมขึ้นไหม ค่ะก็คือเป็นถามว่าระหว่างที่ตั้งแต่แรกที่ว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจรู้อะไรนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่กับอยู่กับย่าอยู่กับยายก็จะพูดถึงเรื่องของสวรรค์นรกก็จะพูดให้ฟังให้พูดให้ฟังแล้วก็จะเล่านิทานให้ฟังแต่ว่าถามว่าพวกเราเชื่อไหม ไม่เชื่อเจ้าค่ะพระอาจารย์ในเมื่อไม่เชื่อตรงนั้นแต่ถามว่าอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้ในสิ่งที่เราว่าเออมันธรรมะมันเป็นอย่างไรทําไมเราต้องทุกข์ทุกมาจากอะไรสาเหตุอะไรที่เราต้องทุกข์เราแก้ทุกข์ได้ไหมก็เมื่อมีความทุกข์เพราะว่าทุกทุกมากเพราะไม่แยกกันรพระอาจารย์แต่หน้าทุกข์ก็แล้วแต่ว่าก็ พอพอไปเจอผ้าจารย์ที่สุขีรินก็ก็ได้มาเจอผ้าจารย์ก็เรียกว่าอ๋อพออ๋อแล้วก็เออโออเคียร์ก็เปนอ๋อแล้วโอเคพอได้ขึ้นเขาได้ไ ด, ได้ปฏิบัติก็ได้รู้แล้วนะคะพระอาจารย์ในจุดนี้ก็คืออะไรเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนะคะพระอาจารย์มันเป็นอย่างไรคือ การติดตรงนั้นยอมรับนะคะอาจารย์อยางติดที่จะขึ้นเขาชีโอนว่าไปที่นั่นบอกพระอาจารย์เลยว่าต้นพลิกต้นมะเขือทุกสิ่งทุกอย่างเราลืมหมดเลยได้ปฏิบัติอย่างเดียวแต่พอเราตอนนี้มาอยู่กับพ่อพ่อไม่พูดคับพระอาจารย์พ่อจะไม่พูดพ่อจะนิ่งพ่อมีแต่เป็นห่วงลูกนะคะพระอาจารย์นี่คือบุญและกุศลอย่างหนึ่ง เพียงแต่ว่าท่านตาไม่เห็นเท่าไหร่และตากว้างฟางหูไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ได้ยินแต่ว่าได้ยินไม่มากครับอาจารย์แล้วก็และสิ่งที่เราได้จากพ่อก็คือตื่นขึ้ น, นตอนเช้าล้างหน้าพ่อก็ว่าน้ามงสามจบว่าอิติปิโสจะทานข้าวพ่อก็ว่าอิติปิโสจะนอนพ่อก็ว่าอิติปิโส ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นกับพ่อก็คือที่นอนที่นอนพ่อจะทําให้เรียบร้อยจะนอนแล้วก็จะคลี่ผ้าพัผ้าห่มให้มันเรียบร้อยแล้วก็พ่อก็นอนสิ่งนี้ทําให้เราได้เรีย ร, ยรู้ว่าการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็อย่าพูดมาก แล้วลูกก็เป็นคนพูดมาแล้วก็เป็นเป็นครูด้วยแล้วก็พูดอ่าทานี้ก่อนว่ารายการนี <Okay. S 2> ้ค่ะเจ้าขบอาจารย์ลูกไม่ถี่คาถามแต่ตาลูกใชอ่าไปที่คุณหมอลูกลูกเลยคุณหมอเสียงไม่ดังเลยคุณหมอไม่มาเลยเสียงนี่เป็นอะไรเลยไ่ายก็เปิดแล้วนะแต่เสียงไม่เข้าเลย อาจจะมีปัญหาตอนตอนเข้ามาตอนแรกก็แบบเดี๋ยวลองดูครับโอเคได้ย <นะ S 1> ินไหมครับอันได้ยินแล้วได้ยินแะได้ยินนะครับพระอาจารย์ครับครับนับราช ก, การก็พระอาจารย์อืมเป็นยังไงเป็นมอมีอะไรมางงะอะไรงานบ้างโอ้สัปดาห์นี้ผมปฏิบัติม่เหมือนวันนี้ทําทั้งวันเลยครับพระอาจารย์อืมวันนี้ก็ตั้งแต่เช้ามาก็สดมนแล้วก็เจริญสตินะครับพระอาจารย์พูดโทนหรือว่าสดมน์ แล้วก็นั่งสมาธิวันนี้นั่งสมาธิได้เยอะครับพระอาจารย์แล้วก็ได้ถึงจุดที่เข้าใจแล้วว่าเวลาจะเข้าให้สงบเข้าอย่างไงครับพระอาจารย์วางใจยังไงครับแต่ก่อนก็ยังวางใจไม่ค่อยเป็นครับตอนนี้ตอนนี้วางใจได้แล้วครับว่าเวลาจะเข้าเนี่ยให้ให้จิตนิ่งจิตสงบได้เนี่ยมันจะมีจุดจุดที่เรารู้เองครับพระอาจารย์ก็คือไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้่ครับพระอาจารย์ครับแล้วก็ได้กาน อยาประหยัดให้มันเข้าครับอาจารย์ก็วางใจสบายๆครับเป็นกลางเฉยๆไปครับแล้วก็ชีครับอาจารย์แล้วก็ให้มันถึงจุดที่จุดมันมีอยู่จุดเดียวเลยครับอาจารย์เหมือนตอนหายใจเข้าหายใจออกนะครับผมวางใจผมวางใจไว้ที่ท้องอะครับอาจารย์อืมหายใจเข้าก็เข้าก็วางวางใจไว้นิ่งๆเบาๆที่จุดนั้นนะครับแล้วก็จะอยู่ได้นานแล้วก็สงบแล้วก็เหมือนเป็นแสงสว่างครับอาจารย์มีความสุขครับ อืแล้วพอลองออกมาแล้วมาเข้าใหม่ลองดูก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้แล่ะครับพระอาจารย์ทํนางาญนะรู้วิธีนะรู้ท่าทาครับาอา<อ>จารย์ครับดแีแต่ต้องแต่ต้องทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพระอาจารย์เพราะว่าวันที่ปฏิบัติกับวันไม่ปฏิบัติเนี่ยต่างกัน<ล>มากๆเลยครับพระอาจารย์ใช่อย่าทิ้งถ้าทิ้งแล้วกลับมาปฏิบัติใหม่นก็เรียนวิธีได้ครับพระอาจารย์แล้วก็บางวันถ้าเราไป เราไปมีความอยากครับพระอาจารย์เผลอหลุดไปเนี่ยมันก็หลุดจริงๆครับพระอาจารย์ที่สัปดาห์นี้ก็เลยมีมีหลายรูปแบบมากครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ที่ก้าวหน้าขึ้นก็คือรู้วิธีที่จะทําใจใสงบแล้วครับพระอาจารย์แล้วก็ทั้งวันเนี่ยให้ให้ท่องสัมมาผมจะระลึกถึงสติกละสมาธิตลอดนะครับพระอาจารย์ถ้าวันไหนเราหัวเข้าใจแล้วอจะทําไงได้ดีก็คือสติกละสมาธิทั้งวันครับ ดีครับพระอาจารย์อืมพระอาจารย์มีข้อแนะนําเพิ่มไหมครับก็ทําให้มากขึ้นอย่าอย่าทําให้อย่าให้มันน้อยลงพยายามรักษาระดับก า, าบรปฏิบัติให้ให้เท่าเดิมอย่างน้อยก็เท่าเดิมแล้วครับอาจารย์รตามโอกาสครับแล้วผมยังแบบใช้การสวดมนต์แบบเดิมเนี่ยยงได้นะครับอาจารย์ไดวิธีวิธีไ<ท>ห น, หนที่ทําให้ที่เราทํามาแล้วมันได้ผลดีเราก็รักเราก็ใช้ได้ ครับพระอาจารย์ครับอครับดีครับพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทาดแข็งแข็งแรงนะครับกรรมวการพระอาจารย์ครับจะปฏิบัติเพิ่มเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆไปกว่าถึงจนกว่าจะถึงฝั่งไปไหว้น้ําก็ไหว้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฝั่งครับพระอาจารย์ครับถ้าไม่ว่ายุดหยืนว่า้มันก็จมได้นะครับพระอาจารย์โอเคครับรอบพระอาจารย์ครับเอคุณอุษาต่ออุษา นักการแถบพระอาจารย์ อ, อยมยมยมบอกอาจารย์เลยว่ายมเรียนอาจารย์เลยว่ายมเปลี่ยนจากจุดเดิมมากเลยค่ะอาจารย์จนเพื่อนบอกว่าแกมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอาจารย์แม่คะเนียนนีค่ะคือเมื่อเทปรีลานเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดตุลาณ์นะคะอาจารย์ยมขึ้นไปถามอาจารย์ด้วยบนศาลาที่ธรรมบนเขาอ่ะคะ่ะอาจารย์ สาเอตุลาที่เอเามาริรันนะคะอาจารย์ย้อนหลังค่ะโยมถามเรื่องของการที่จะจิตจะรวมมาค่ะอาจารย์แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะโยมปฏิบัติมาค่อนข้างเยอะแต่โยมไม่เคยไม่เคยจิตรวมเลยค่ะอาจารย์โยมแค่แค่สงบนะคะโยมแค่สงบจนกระทั่งมันเหมือนกับ ว, ว่ามันรูปลง อุบลงแบบมิยมก็กลัวพ่อโยมไม่มีคำไม่มีใครบอกโยมก็จะเจออาจารย์ที่สอนโยมน่ะปีละครั้งค่ะอาจารย์ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีมหาวีโรซึ่งหลวงปู่ศรีมาตั้งวัดที่โตโมสุขิรินค่ะโยมจะไปถามท่านทุกปีละครั้งโยมก็ถามว่ามันเป็นแบบมิยมทํายังไงต่ออาจารย์บอกว่านั่งต่อไปสี่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ข้างหลังโยมก็บอกว่าโยมไม่ได้อยากถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอาจารย์หลังจากนั้นโยมกลัวอายุสั้นค่ะโยมก็เลย หันมาเพ่งดอกไม้เพ่งเทียนเพ่งอะไรไปเรื่อยค่ะอาจารย์จนกระทั่งโยมมาเจออาจารย์แล้วก็อาจารย์สอนเป็นคําสอนที่ง่ายแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ทําได้ง่ายค่ะอาจารย์โยมก็เลยมาทําแล้วก็โยมกลับมาโยมจับที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไม่สงบให้สวดมนต์โยมก็สวดอิติปิโสค่ะอาจารย์อยู่อิติปิโสจนมันรวมสงบแล้วก็นิ่งมันรู้สึกปิติ น้ำตาไหล ต, ตัวตัวออกจากออกภาวนาแล้วนะคะตัวสันออกมาสามีถามเป็นอะไรมันมันมีความสุขเยมบอกค่ามันมีความสุขแบบนี้ค่ะอาจารย์หลังจากนั้นมาโยมก็เริ่มปฏิบัติมาเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยรืยจนถึงวันนี้โยมรู้ว่าโยมเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์แล้วก็โยมมาเปลี่ยนจริงจังเมื่อปีเมื่อสามปีที่แล้วที่โยมราวนาว่าถือศีลแปด หนึ่งเดือนอาจารย์ก็ปล่อยไปพอครบหนึ่งเดือนโยมก็บอกครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะอาจารย์ว่าเลืออีกสองเดือนล่ะโยมก็ถือสองเดือนนั้นต่อมาจนถุงทุกวันนี้โยมก็ยังสีแปดอยู่ค่ะอาจารย์แต่มันที่มันสะเทือนใจโ ย, ยมอยู่ครั้งหนึ่งตอนแม่โยมเสียนะคะแล้วก็โยมยังสีแปดอยู่น้องชายเดินมาเห็นโยมน้องชายเดินกลางมือมา ร้องไห้มากลางมือเพื่อจะกอดยมครอบครัวเรากอดกันค่ะอาจารย์ยมบอกว่าพี่ศินแปดนะแล้วก็ทิ้งมือลงข้างตัวแล้วเขาก็ร้องไห้พี่ชายยมเดินมายมบอกว่าโจมสีนแปดเขาก็กอดเอามือลงแล้วเข้าไปกอดกันสองคนร้องไห้พี่น้องกอดกันสองคนยมก็ยืนมองยมตัดสินใจออกค่ะอาจารย์แล้วยมก็ไปกอดเขาสองคนค่ะแล้วก็พอมาเมื่อไม่กี่วันยมมาถึงบอกว่ายมมาถึงจุดเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงแหละค่ะอาจารย์ยมมาสินแปดครบ เขาเขาจะเข้าปีที่ส่มันเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองของโยมไปเยอะเลยค่ะอาจารย์ส่วนการปฏิบัติจากที่เมื่อก่อนแค่สงบตอนนี้คือการรวมเป็นยังไงวิธีการเข้ายังไงคำสอนของอาจารย์จะอยู่ในสมองโยมตลอดเมื่อมีปัญหาคำสอนของอาจารย์จะขึ้นมาตลอดค่ะอาจารย์แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะมีบททดสอบเข้ามาแบบอึ้งค่ะอาจารย์โยมไปซื้อของแล้วมีคนถามโยมว่า อถามโยมเรื่องหนึ่งขึ้นมาโยมบอกโยม <om S 1> <"gy om S 2> ไม่รู้เรื่องแล้วเขาตอบว่าคนอย่างเธอไม่รู้เรื่องเหรอไม่เชื่อค่ะเขาพูดใส่น้าโ ย, ยมแบบนี้โยมก็มองหน้าเขานั่นถ้าโยมยังไม่ยังไม่เป็นลูกศิษย์อาจารย์อโยมเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะคะถ้าโยมไม่เจออาจารย์นะคะโยมใส่แล้วค่ะอาจารย์โยมก็ปุ๊บโยมก็นิ่งโยมบอกว่ า, วาเขาไม่เข้าใจเราเขาจะเข้าใจเราแบบไหน <S 2> <S 2> <ข>ก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องอธิบายเขาจะคิดอะไรไงเป็นเรื่องของเขาเราก็เป็นของเราค่ะอาจารย์ ถ้าเป็นเมื่อก่อนโยมไปถึงบ้านเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้โยมยมรู้สึกโยมอมืมันมีความสุขค่ะอาจารย์แล้วก็วขอคุณอาจารใช่ค่ะแต่ว่ า, า, วาคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะอาจารย์ยมขออนุญาตเล่าความไร้การของยม <laughs> มีคนโทรศัพท์มาว่าโยมโยมอธิบายเขาไม่ฟังโยมเดินจากบ้านโยมไปบ้านเขาซึ่งระยะห่างนะคะก็ประมาณจากกุฏิห้าไปที่เรือนภาเรือนพักของ ของญาติโยมมาค่ะอาจารย์โยมเดินไปบ้านเขานะคะเพื่อไปเรียกเขาออกมาเคลียค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้โยมก็อแล้วแต่เขาจะว่ายังไงมันมีความสุขดีค่ะพอมาปุ๊บเฮ้ยเราทําได้ค่ะอาจารย์คําพูดของอาจารย์มันจะขึ้นอยู่ในหัวโยมตลอดค่ะอาจารย์พอมีอะไรปุ๊บดีจังเลยค่ะค่ะตอนนี้โยมก็รู้สึกว่าเพื่อนถามว่าเธอเปลี่ยนไปได้ยังไงเธอเปลี่ยนไปตอนไงบอกเราเลือกแล้วนี่เราเลือกเส้นทางนี้แล้ว น้องบอกว่าพี่ออกสักวันได้ไหมไม่ได้พี่เลือกแล้วค่ะเมื่อก่อนพี่ยังไม่เลือกแต่ตอนนี้พี่เลือกแล้วค่ะจันโยมมีความสุขค่ะจันโยมมีแคปปี้ดีค่ะจันแล้วก็ตอนนี้สามีเขาทาทางเดินจมกลมให้โยมใหม่หน้าบ้านค่ะคราว น, นี้ยาวเลยค่ะจันเขาบอกเขาอยากได้บุญค่ะดีโอเคอ่ขอพวกคุณจันจริงๆนะคะโยมก่ <Yeah. S 1> อ, อนหน้านี้โยมไม่เคยสงบนะคะจันแต่ตอนนี้คือแบบ ควสงบมันเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์อยินดีในธรรมที่ได้สัมผัสค่ะต้องยกต้องขอบพระคุณพระอาจารย์จริงๆเพราะยันอาจารย์สอนแบบไม่ไม่ไม่กักเลยค่ะสอนแบบเปิดหมดเลยสอนแบบแล้วเขา mm hmm. ง่ายนํามาใช้ได้ง่ายเรืองไม่ว่าจะเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันหรือเรื่องของการภาวนาค่ะอาจารย์แบบมันเอามาใช้ได้จริงๆจากคนใจร้อ น, นะค่ะอาจารย์ใจร้อนขนาดที่แบบโอ้โหน่า ก, กลัวค่ะกลายมาเป็นคนให้คนยืน ยืนในคนตวาดใส่หน้าหรือขึ้นเสียงใส่หน้าได้อ่ะให้เขาด่าเราได้เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนไม่ได้ค่ะอาจารย์ผู้หญิงผู้ชายยมไม่สนย ม, ม, นย ม, มนบ้านเลยค่ะอาจารย์ดีโอเคท่า น, นทูตทำาน้าชมพร่พทําคําส า, าว บ, บว่าเจ้าไปอย่างนี้พิเศษพิคนพิคองคุลิมาทห้กลายเป็นพระท่<ข>านทูตค่ะอาจารย์ยมโอ้โหยมไปถึงบ้านก็จริงๆนะคะอาจารย์ คุณ เ, เด็กผู้ชายเซลยมไปว่าถึงบ้านเลยว่าต่อนหน้าแม่แต่อาจารย์ยมร้ายอาจารย์ตอนนี้เราหยุดแล้วใช่ไหมไม่แล้ค่ะตอนนี้ตามสบายตอนนี้หยุดแล้วนะค่ะ <c oughs> แต่เดี๋ยอาจารย์บอกอีกตอนแลังไม่ใช่นะคะได้ <c oughs> ค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะขอบพระคุณจริงๆก่อนหน้านี้ยมไม่เคยสงบเลยค่ะนมยมนั่งแค่แค่แค่นิ่งค่ะ ไม่เคยจีบรวมความรวมความเป็นอุเบกขากันมันเป็นยังไงความแบบเบาไกลเบาใจเป็นยังไงโยมไม่เคยเจอคะจ่ะอาจารย์โยมมาการสอนโยมเนี่ยคะ่ะปีหกห้ามาอมไอหกสองนะคะโยมถามอาจารย์ปีหกสองตอนนี้หกแปดโยมยังได้แค่นี้เองคะ่ะอาจารย์ก็ดีแล้วละเดียวไม่ได้เลยเลยใช่คะ่ะแบบคือก็ ก, ก, ก็ก็ภูมิใจนะคะอาจารย์อย่างน้อยที่สุดในชีวิตจําวันโยมก็เอามาใช้ได้ โรคทางธรรมคะ่ะพระอาจารย์ขอเรามีความสุขกันแล้วกันไนมะว่าเราจะอยู่ที่ไหนใช่ค่ะตอนนี้ยมก็มีปัญหากับกิเลสตัวเองค่ะมองกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆกระทะไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ใช้เวลายังไม่หมดนะ ย, ยังมีเหลืออยู่นะก็ก็เป็นเรื่องของเราเองแล้วคะ่ะอาจารย์ไม่เอาคนอื่นมาเป็นเคาะค่ะเป็นเรื่องขอ ง, อของเราเคาะทีละเรื่องทีละเรื่องไปคะ่ะแต่ว่าไปเหมเือนแล้วเหลือแค่ละเอียดละเอียดแค่นั้นเองคะ่ะอาจารย์อื ดีครับาจารยได้หมดนะยามตู้ขาพระอาจารย์จะพยายามค่พะพอาจารย์ขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะจ้าสาธุาพะอาจารย์ค่ะคุณปูเปต่อจาดนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ยิยมไมเจาคะไดไ้ยินดีค่ะงหนูก็ลยุยตู้ถีไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็ประเด็นคือ ตอนที่หนูผ่าสมองใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์พอรู้ตัวก็เหมือนเป็นเด็กทารกเกิดใหม่เพราะว่ามารู้จักคนนั้นกําหนดใหม่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชื่อคนนั้นชื่อคนนี้นะคะ่ะพระอาจารย์พอหนูมาลุยฟังทางกับพระอาจารย์เนี่ยคะ่ะที่บอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเจ้าคะ mm hmm. หนูก็เลยแบบเออเฉยๆกับร่างกายอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ มันก็เลยไปจับที่ใจพอไปอยู่ที่ใจแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรกับกายอย่างเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยลุยไปทำ ง, งานต่อได้นะคะพระอาจารย์แล้วประเด็นคือประเด็นคือพระอาจารย์หนูเป็นคนที่แบบเป็นพยาบาลชอบประเมินเอความปวดผู้ปวะะ่วยอค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเวลาคนไข้มีปัญหาเรื่องเพนสโตรความปวดอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์จะพอหนูมาเจอ หลังจากที่หนูรีปฏิบัติทำกับพระอาจารย์เนี่ยคะ่ะหนูก็เลยเอาไปผ่าตัดซ่อมใบหน้ามันดังไม่ค่อยปวดกายแัดถึงแม้หน้าจะบวมอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยได้เห็นธรรมะโอสดเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์ที่เราจะการรีปฏิบัติเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์ที่หนดได้มาฟังธทำแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้มาใช้จริงๆโดยที่แบบปัจจุบันแค่จะไม่ได้ทานยานะคะพระอาจารย์รี รุยไปทํางานได้ด้วยค่ะพรอาจารย์มีแรงด้วยเนี่ยค่ะจนคนนึกว่าไม่เคยผ่าตัดด้วยซ้ำนะคะนึกว่าเป็นคนธรรมดาจริงๆผ่าตั้งหลายรอบค่ะอาจารย์อเนี่ยค่ะก็ูก็มีใจต้องแข็งแรงเงี้ยอุ๊แข็งแรงมากเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันต้องเข้าสมาธิหนูก็เลยบอกว่าโอุการเข้าสมาธิเนี่ยจําเป็นมากค่ะพระอาจารย์เป็นสิ่งที่ใช้ในการเหมือน เติมแบตจริงๆค่ะพระอาจารย์มันช้าใจพระ<ข>อาจารย์ของใจอยู่ที่สมาธินี่โอ้โหจริงค่ะพระอาจารย์เรายิ่งฟังธรรมต้องฟังธรรมพระอาจารย์เพราะว่าจะไปทางปัญญาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ในการประเมินตนเองนะคะเพื่อความโลภความโกรธความหลงะคะ่ะหนูก็ไม่พยายามว่าใครอะค่ะจะดูตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์บางทีกิเลสจะมาชักชวนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ต้องแบบ ปะทหากับมันเนี่ยไม่ใช่นะมันไม่ดีเนี้ยค่ะพระอาจารย์แบบให้เราหลงไปเรื่องคนเรื่องคนคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปเสียเวลาคิดให้มันเสียเวลาเราค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบจะพาจริงค่ะพระอาจารย์เหมือนเขาจะเข้าโจมตีอย่างนั้นดีนะอย่างนู้นดีนะเหมือนแบบหลอกอย่างนี้ค่ะโดนหลอกกิเลสมีใจเราเองนะคะพระอาจารย์แล้วเราเพียงแต่เราจะเรื่อง จะกระทำตามที่เขามาหลอกเราหรือเปล่าเนี้ยค่ะพระอาจารย์อืมันก็เลยเหมือนเป็นนักมวนยนะค่ะที่ว่าจะต้องมีครูบาอาจารย์เป็นโค้ดเนี่ยค่ะพระอาจารย์ในการเลยปฏิบัติเนี่ยคะะ่ะเด็ดปฏิบัติต่อไปศึกษาต่อไปนะเจ้าขาพระอาจารย์โอเคไปคที่คุณหมอสุทัตน์เสนแต่สติด ouble ้องมานหมเนี้ยนมามส ก, การท่านอาจารย์เจ้าค่า ท่านพอาจารย์เจ้าค ะ, ะเดือนธันวาคมประมาณวันที่สามสิบท่านพระอาจารย์แสดงธรรมะที่หน้าบุติใหมค่ครับโอ้ยมันยังไม่คิดถึงตอนนั้นเลยว่าจะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าพอดีว่าครอบครัวเขาอยากไปด้วยก็เลยอาจจะต้องจองโรงแรมล่วงหน้าเจ้าค่ะคือถ้ามันเป็นวันธรรมดาก็ไม่ได้แสดงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการนี่ทำก็แสดง ยังยังไม่ได้ดูปฏิทินถึงตอนนั้นเลยตอนนี้เแค่เราดูแค่ทิศ ต, ต่อทิศแท่นะมาเทศบุญไห่คราวหน้าวอาพรุ่งนี้น่าะเสาร์อาทิตย์แต่ทันมาเนี่ยังไปไม่ถึงก็ลองไปตรวจดูตามที่ตามที่ผู้ไว้ก็แล้วกันถ้าเป็นวันหยุดราชการอมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์หร่อเป็นวันพระนี่ก็ก็มีการเทศบ่ายสองโมงปกติลูกจะไปกลับวัชก า, าอืม ว่าเราเห็นจากเหมือนเขาอยากไปด้วยอยากไปใส่บาตท่านเจ้าค่ะได้ก็ลองเช็คดูนะอคะอย่างนั้นก็ได้ใส่บาตก็แล้วกันถ้าไม่มีแสดงทําตอนบ่ายก็ได้เจ้าค่ะไ ม, ไม่ทราบเป็นวันอะไรคุณหมอรู้ไหมครับเป็นวันดูไปแล้ววันที่สามสิบธันวาคมมันตรงกัดถ้าลูกจําไม่จําไม่ผิดเป็นวันอังคารเจ้าค่ะอ่าวันอังคารแล้วไม่ใช่เป็นวันพระใช่ไหม ไม่ใช่เป็นวันพระเจ้าค่ะเราแสดงว่าคงไม่มีการแสดงธรรมวันนั้นเจ้าค่ะแต่31เนี่มันเป็นวันหยุดนะวันพุธเนะี่ยมืวัน31วันที่หนึ่งเนี่ยมีแน่นอนทำวันนี้ถ้าอยากจะแสดงธรรมก็ต้องอยู่ถึงวันที่31ค่อยๆกับเ <c oughs> จ้าค่ะเดี๋ยวลองเลือกวันดูเจ้าค่ะหรือถ้าอยากจะฟังก็ฟังผ่านทาง youtube ทางเ facebook ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะท่านพอาจารย์โอเคเสื้อได้เสื้อเนี่ยมันมันคนสายมองไม่เห็นนะคนคนที่ไม่สายมองเห็นในสายเตือนเตือนเดตือนคนอื่นแล้วเตือนตัวเราเองเตือนตัวเองเจ้าค่ะท่านพอาจารย์เราเราเราไม่เห็นเราจะไปเตือนตัวเองได้ไงก็ก่อนหยิบมาใส่ก็รู้ว่าวันนี้จะต้องทําสตินะต้องคห้ดูสองกอดูดูดูอะไรต้อๆจะเห็นนะอืม ดีนะทำวสติเนี่ยเป็นเป็นธรรมันเลิศที่สุดบรรดาธรรมต้องปวดมุจเจายกย่องวสตินี้เป็นส่วนยอดของธรรมเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์อืเพราะไม่มีสติก็ทำอย่างอื่นเกิดขึ้นมาไม่ได้พยายามฝึกสติไปทั้งวันนะตั้งแต่เริ่มตานขึ้นมาก็เริ่มสติก่อนนะจนถึงเวลาหลับไปเลยฮะเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ข อ, อขอบคุณค่ะ<า> อ้าวคุณสเรนทางเมื่อกี้คิวหายไปหลุดเลยสายหลุดเลค่ะไม่ค่ะพระอาจารย์บางทีมันจะมีออโทรศัพท์เข้ามาบ้างอะคะอ่ะอหรือ<ด>ไม่ก็มีสายเข้าอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยทําให้หลุดถอยออกมาะคะ่ะกลับนวัต ก, การพระอาจารย์ก่อนเจ้าคะ่ะหนูก็ไม่มีคําถามคะ่ะหนูก็จะไปปฏิบัติธรรมอาทิตย์หน้าเราคะ่ะมากลับเรียนพระอาจารย์ปฏิบัติที่ไหนก็ไปที่เดิมก่อนคะ แต่ไม่ไม่พูดวาจาเนี่ยปิดวันปิดโทรศัพท์ปิดทุกอย่างเลยค่ะไม่ไม่คุยกับใครแต่อยังไี่เป็นไงเป็นวันไม่เป็นเป็นบ้านเป็นสถานปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วหนูก็เขาสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเรียกว่าเป็นชาวที่ไม่ค่ะเป็นเป็นสถานปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วเขาก็จะเขาประกาศว่าเป็นของโกเองข้าเลยรหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็ แล้วก็เขาก็จะมีตารางว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนมีคอสปฏิบัติธรรมวันที่เท่าไหร่บ้างแล้วหนูก็ไปสมัครตามวันนะคะแล้วก็แต่ละคอสเนี่ยก็กำหนดกี่วันไหมคอสมัีหลายแบบมีหลายแบบค่ะพระจานทร์มีตั้งแต่สามสิบวันยี่สิบวันสิบวันแล้วก็ของหนูที่จะไปที่เป็นสามวันเต็มๆแต่ว่าไปก่อนแล้วก็กลับร่วงเนี่ยคือทั้งหมดทั้งปวงก็ประมาณห้าวันนะคะออืแล้วก็หนึ่งวันก็มีอ่ะค่ะ ก็หนูก็เลยเมื่อที่ที่ผ่านมาหนูก็เลยลองซ้อมอะค่ะก็ไปปฏิบัติ6ชั่วโมงนั่งปฏิบัติ6ชั่วโมงก็ก็ก็ดีค่ะจ้นะไรนั่งอย่างเดียวเลยค่ะ6ชั่วโมงหนูก็ค่ะก็ก็มีพักเบรกบ้างอ่ะค่ะแล้วก็ขึ้นมาเดินนิดหน่อย10นาทีแล้วก็กลับไปนั่งต่อยังเงี้ยค่ะพอทําเสร็จ มันมีความตื่นเต้นอะค่ะพระอาจารย์พอทราบว่าแต่ไปปฏิบัติกับเพื่อนไปกันกลุ่มกลุ่มเล็กๆอะคะ่ะไปทั้งแค่สามคนนะคะแล้วก็ไปขอยืมสถานที่ที่วัดไปกลับท่านเจ้าอาวาสบอกว่าขอยืมสถานที่ห้องหนึ่งขอปฏิบัติหนึ่งวันไปตั้งแต่เก้าโมงถึงหกสี่โมงเย็นนะคะก็ปฏิบัติตลอดตลอดเวลาะคะ่ะอาทที่ผ่านมานี้่อะค่ะอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะพระอาจารย์แล้วค่ะหนูก็ ตื่นเต้นพอใจรู้ว่าตัวเองจะไปปฏิบัติธรรมมันก็วันวันที่รู้ว่าได้ห้องปุ๊บก็มันก็ท่องพุทโธพุทโธตลอดเล <c oughs> วลาเหมือนเตรียมเหมือนใจมันเตรียมตัวค่วะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปปฏิบัติมันตื่นเต้นนะคะพระอาจารย์เหมือ <c oughs> นอย่างอย่างหนูกลับเรียนตรงๆว่าครั้งแรกสุดที่ได้พบพระอาจารย์หนูตื่นเต้นมาก หนูจําได้ว่าหนูไปนั่งอยู่หน้ากุฏิแล้วหนูก็นั่งยิ้มตลอดเวลาเหมือนไม่รู้ทํำไมเหมือนดีใจที่ได้พ่อพ่อจ้านะคะแล้วแต่ตอนเนี้ยใจมันตื่นเต้นกับการที่รู้ว่าเราจะได้ไปปฏิบัติธรรมเหมือนพอเวลาเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็ไปเรื่อยๆไม่ค่อยสนใจคือคือก็ปฏิบัตินะคะแต่มันไม่ได้ให้ความสําคัญแต่พอเรารู้ว่าใจเราเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องปฏิบัติรรทั้งวันแล้วจิตใจมันเริ่มหึกเหิม มันขึ้นสนามแล้วมันเออาจารมันเรื่องเมือนเหมือมันมีความอดทนเจ็บปวดเท่าไหร่ก็จะไม่ขยับมันมันมันมาของมันเองงาจารย์นั่นที่ปกตินี่ไม่ไม่มีค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็เลยรู้สึกดีหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเออนี่เหลืออีกอีกอาทิตย์เดียวแล้วอาทิตย์หน้านี้เราจะไปแล้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปวันพุธหลังจากสนทนาธรรมกับพระอาจารย์อาทิตย์หน้าก็คงไปเลยอะค่ะแล้วมันก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้อง เราต้องขยับศัตรูเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วเราเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไปแล้วมันจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ก็ต้องลางานเนี่ย้อไปวันอุธหนูพอดีว่ามันเป็นช่วงติดกับแ h a n k s g i v i n พอดีเลยค่ะพอดี Thanksgiving h o l i d พอดีค่ะหนูก็ลางานแค่ไม่กี่วันแล้วก็ไปได้ค่ะค่ะดีตื่นเต้นนะคะพระอาจารย์ที่ได้ดีใจด้วยีได้ได้ไปปฏิบัติค่ะอาจารย์โอเค ค่ะ ข, ขอบพระคุณหวังว<อ><อ>่าคงจะได้ความสงบเพิ่มมากขึ้นนะค่ะกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนนะคะหนูก็ฟังธรรมะพระอาจารย์ถึงได้รู้ว่าพอติดอยู่ตรงนี้แล้วต้องปฏิบัติทางไหนต่อคราวนี้มันพอไปถึงปฏิบัติจริงก็จะได้ลงสนามจรงิงพอเวลาจิตมันไปอยู่ถึงจุดนั้นแล้วก็จะได้แก้ไขได้ถูกจุดก็กลับขอบพระคุณต้องลองปฏิบัติแบบตอนนี้แบบไม่มีการพักไม่มีการหยุด ค่ะมันเห็นว่าไม่ต้องไปทํางานอย่างอื่นทํหลายการปฏิบัติอย่างเดียวค่ะค่ะจริงค่ะพระอาจารย์จริงค่ะมันเป็นรถไฟกเหมือนรถด่วนไม่ไม่มีการจอดตามสถานีต่างๆอ่ะพระอาจารย์จอดแต่ที่จุดหมายปลายทางเป็นป้ายเดียวค่ะแล้วมันตื่นเต้นมากเลยค่ะพระอาจารย์ขนาดที่ว่านั่งปฏิบัติแค่หกชั่วโมงเนี่ยหนูยังรู้สึกว่ามันได้ผลเลยค่ะ เหมือนชั่วโมงแรกนี่มันก็เริ่มปิติน้ำน้ ำ, น, ำน้ำตาไหลภาคเลยอะค่ะเหมือนพอใจมันคือเขิมปุ๊บ ม, มันมันก็มีสภาวะทำแล้วพอนั่งไปเรื่อยๆมันก็ลงไปเรื่อยเื่อลงไปเรื่อยๆแล้วก็นิ่งไปเรื่อยๆจับได้หมดเลยค่ะอะไรขึ้นมาก็จับจับมันแล้วก็วางจับแล้วก็วางจับแล้วก็วางหลังๆก็พยายามใช้ปัญญาเข้ามาดูว่าเป็นอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาทุกอย่างพอจบหกชั่วโมงแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมัน ถ้าเราทําต่อเลือก<แ>ได้เจ็ดปีก็น่าจะดีแต่ว่าอาจารย์ก็คิดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องยืมสีแโมไม่ใช่หชัหว่วโมงถ้าหนูเอาแค่วันเดียวก่อนดีกปะถ้าอย่าง้ถาจบเจ็ดปีก็ต้องทำยืมสีแค่โมยืเว้นเวลาหลับค่ะอาจาร ย, าารย์อันนี้หนูอาจจะขอมากเกินไปค่ะอาจารย์แต่ก็มันก็ทําให้ใจเราเริ่มมีกําลังอะค่ะอาจารย์แล้วมัน เ, เป็น มันจําได้เลยวศสัทธาเป็นยังไงฉันทาวิริยะจิตตาวิปังสัมันมาหมดเลยครับอาจารย์เมื่อมันไปของมันเองพอมันได้แล้วมันถึงเวลามันไปของมันเองดีสาธุสาธุขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะขอบคุณไปที่คนณคนจอยเนะคุนจอยเป็นยังไงพุณนี้มาใส่บาตรหรือเปล่าไปคไปค่ะหนูเตรียมของแล้วปกติหนูจะทํากับข้าวตอนเช้าแต่ว่า ช่วงนี้หนูไม่มีเมนูหนูก็เลยซื้อเซได้บืญเหมือนกันใช่ไหมคะได้เพราะว่าก็เป็นถว้วได้ไ ด, ได้แล้วแต่เราประดวกถ้วยแบบไหนก็ได้ไปเออแล้วอาทิตย์นี้หนูมีบทสอบคือพี่สาวหนูใช้ให้หนูไปทํางานใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยวันที่หนูไปเอาเหมือนตอบพบอลบบลแล้วนี้หนูหนูไปหนูไปเอาพลบบลแต่เขาบอกว่าเขาคืนเงินสามพันบาทแล้ว แต่สามพันเนี่ยถ้าหนูจะไม่คืนเขาก็ได้แต่กิเลสหนูไม่บอกว่ามันมันมันมันคืนมันเลยบอกว่าเนี่ยเธอเลือกเอาระหว่างว่าเธอจะเอาหรือว่าเธอจะไม่เธอจะเธอจะคืนเขาแต่หนูบอกว่าเธอไม่ต้องมาแบบหนูพูดใจว่ากิเลสไม่ต้องมานี่เลยคือไงหนูคืนหนูก็คืนเขาแน่แล้วหนูก็เลยไปคืนเขาเอ่าดี <laughs> ไม่ใช่ของเราอย่าเก็บไว้คือ แ, แค่นี้ก็มันเริ่มสึกแล้วว่าความโลภในใจมันมันไม่ค่อยมีแล้วค่ะอืม คุณำให้เราเห็นคุณค่าของการทักษาศีลนะใช่ค่ะคือแค่แค่ยังมีแค่แบบว่าออนิดหน่อยชอบคนชอบมาถามอะไรที่แบบไม่อยากตอบแล้วก็ต้องถามบังคับอะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูก็อย่างถามว่าให้ให้เงินคนนี้บ้างไหมให้คนนี้หนูก็แบบไม่ได้ตอบแบบเฉยๆไปไม่ต้องพูดอะไรกันได้ใช่ค่ะหนูก็แต่ส่วนตัวหนูหนูก็ก็คือดีขึ้นความโลบไม่มีนั่งสมาธิตีห้าตอนนี้ก็พยายามตื่นตีห้านั่งสมาธิค่ะ อแล้วก็ใส่บาทรถูกวันพระแล้วก็ไปนั่สามาธิเพิ่มขึ้นถูกบวมพระมาฟังเทนทุกบันพระ อ, อะไรนี้เพระที่แล้วเกิดไม่ทันเพราะว่ามีอุปสรรคแต่ว่าไม่ได้จอยเธอเธอตั้งศัจจาอะไเธอต้องไปหนูก็ไปจนแล้วเป็นไงเจอแมงวิ่งไหมที่ไปแล้วเจอค่ะแล้วทำยังไง ก็ทน ไ, ไม่ได้บรอหนูไปได้และครั้งคือหนูเจอมแมลงกัดตลอดเลยแต่ว่าหนูก็ทนอ่าสวยนะไว้ค่ะโอเคคเจอกันพรุ่งนี้สัสดีอ่าเพอรเฟคขอเกเข้ามาได้ครยกันทุกคนนะนี่ก็ไปที่คุณล้าต่อเลยคุณล้าเชิญกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมด4คําถามจากทาง f a c e b o o เจ้าคะ่ะ กรับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับเมื่อมีความทุกข์ใจเพราะใจยึดในร่างกายควรต้องพิจารณาอย่างไรให้หายทุกข์ครับคือการพิจารณาถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วมันยังทุกอยู่แสดงว่าเรายังปล่อยไม่ได้เราไม่มีสมาธิเราต้องเข้าสมาธิให้ได้ก็จะมีกำลังที่จะปล่อย กายได้เมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟคำถามต่อไปการทําสมาธิคือทําใจให้ว่างเรานึกถึงความว่างได้ไหมครับคือมันนึกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันใจมันชอบคิดมากเอาให้มันคิดอยู่กับคาบริกรรมพุโทโธพุโทโธจะดีกว่าไม่ออยู่กับลมหายใจเขา้าออกเอาความว่างมันเป็นสิ่งที่เรา เราเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะไปคิดถึงว่ามว่างได้ยังไงใจเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราใช้ความคิดไปคิดถึงความว่างมันก็ไม่ใช่ลมันก็เป็นความคิดที่คิดถึงความว่างมันก็จะไม่มีวันสงบได้อย่งใช้ใช้พุโทโธดีกว่าใช้การดลูลมหายใจเข้าออกดีกว่าคำถามต่อไป ถ้าเป็นค า, ารวาสปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นต้องทําทานใช่ไหมครับหรือทําทานดีกว่าไม่ทําครับก็ ข, ข, ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาทําหรือไม่แล้วเรามีกําลังจะทําหรือไม่ถ้าเรายังมีกําลังอยู่มามีเงินแล้วเงินทำเงิอกินหรือใช้อยู่มากก็วควรจะแบ่งให้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากแด่นอนแล้วเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจมากขึ้นน แต่ถ้าจะไม่ทําก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครบังคับนะแต่ภาวนาเมื่อะไรก็ได้แล้วแต่เราแต่ก็ต้องระวังความตันหนีความยึดมั่นถือมัน่นความหวงในทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองมันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของเราได้หรือเราจะปล่อยวางไม่ได้คําถามสุดท้ายจากคุณพระธินันเวลานั่งความคิดมันเกิดครับ รู้แค่ลมอย่างเดียวใช่ไหมครับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําครับก็อย่าไปสนใจความคิดให้อยู่กับลมไปถ้าเราดูลมถ้ า, าอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความคิดไปมันล่อยมันมาไปมันไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็เวลากใกล้จะหมดพอดีสำหรับคืันี้ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, งพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเธอ